จเจริญธรรม ท, ทุกๆคนวันนี้วันที่25้าวันอังคารที่25พฤศจิกายน2557ายเจจะสิ้นเดือนอีกแล้วเดียววันเดียววันไล่ไม่ทันแก่ไม่ทัน อ, อาวันนี้ก็อาตมาก็คงจะพยายามที่จะอธิบายถึงเรื่องที่ชาวพุทธเราเนี่ยมาติดนะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอาณาปานสติและก็ตีกรอบเข้าใจความหมายของอาณาปานสตินั้นอยู่แต่ในภาวะที่ นั่งหลับตาอยู่เท่านั้นนะนั่งหลับตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในพวังแล้วก็ปฏิบัติภายในจิตไม่ได้มีข้างนอกไม่ได้รู้จักการสะบัดข้างนอกแล้วก็โยงใยต่อเนื่องกันมาถึงจิตในจิตมีสันตติมีการต่อเนื่องสืบสารกันขึ้นมาไม่ได้มีความเข้าใจในสภาวะธรรมของปรัตญธรรม อย่างที่อาตมากล่าวซึ่งอาตมาพยายามที่จะอธิบายถึงความเป็นกายกายยะกายโยว่ามันเป็นองค์ประชุมหรือองค์รวมของทั้งรูปและนามทั้งภายนอกและภายในมีทั้งอจตังมีทั้งประหิตธาภาษาบาลีว่าเง้ น, นอจตังคือภายในพระหิตธ า, าคือภายนอก ความเข้าใจคำความเป็นภายในภายนอกที่เชื่อมต่อกันอยู่เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมอาตมาอยากจะกล่าวว่าชาวพุทธทุกวันนี้เนี่ยไมแบ่งภายนอกคือภายนอกภายในคือภายในคนละเวลาคนละกำหนดคนละอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อไปศรัทธาในอาณาปานสติ ศรัทธานี่เดี๋ยวอาตมาจะข ค, ความว่าศรัทธาหมายถึงอะไรลงไหลขนาดไหนไปศรัทธาอาณาปนสติโดยถือเอาความรู้หรือวัตถิติในขณะนั้นขณะนั้นเช่นในยุคพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งคนเ็าเข้าใจการนั่งสมาธิเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในทั้งหมดไม่ได้รู้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า ที่สมาธิของท่านนั้นเกี่ยวข้องกับภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสแล้วก็เกิดนามธรรมาเกิดวิญญาณแล้วก็อ่านวิญญาณไปในขณะที่ลืมตาในขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่สัมผัสสัมพันอยู่ไม่ได้ต้องหลับตามไม่ต้องหนีไปปฏิบัตินอกอสถานที่หรือว่าหาสถานที่พิเศษปฏิบัต อยู่ในที่เงียบในคงสงบสงดอะไรอย่างที่รัติที่ใช้สมาธิแบบนี้เป็นพื้นฐานซึ่งมีเป็นสามัญอยู่ทั่วโลกแล้วก็คลองโลกอยู่ตลอดกาลนานาศาสนาพุทธหมดไปแล้วก็มีสมาธิแบบนี้หรือแม้แต่ในยุคที่มีาศาสนาพุทธอยู่สมาธิแบบนี้ก็มีของเขาอยู่ส่วนผู้ที่มีปัญญาพอจึงมาศึกษา สัมมาส ม, มาธิของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องได้ถูกต้องและทำส ม, มาธิแบบสัมมาของพุทธเจ้าได้ในขณะที่ใช้มรรคองแฝงปฏิบัติทั้งในขณะคิดนึกให้เป็นสัมมาสังกัปปะในความคิดก็เป็นส ม, มาสังกัปปะให้ได้ในขณะพูดอยู่ก็ทำให้ปฏิบัติมันมีเกิดอาการจิตอย่างไรก็อ่านจิต พัฒนาจิตมีการพูดอยู่ได้แต่มันก็จะเกิดสัมผัสเกี่ยวข้องไปกรทั้งเกิดนามธรรมข้างในเกี่ยวข้องกับข้างนอกนะจึงเรียกว่ากายนะแล้วก็อ่านจิตวิจัยจิตธรรมวิจัยสัมโพธิจงวิจัยจิตอ่านออกแยกกิเลสได้กําจัดกิเลสนั้นไปในขณะปฏิบัติลืมตาเป็นสมประทานสี เป็นการสั่รวมสังวรอินทรีย์หกแล้วก็เรียนรู้กิเลสประหารกิเลสได้ได้ประหารประธานสังวรประธานประหารประธา น, า น, าานจนเกิดผลภาวนาประธานแล้วก็รักษาผลดั้งนี้เป็นต้นหรือในจาระนาสิหกสํารณ์อินทรีย์ตามฐานะเรียกว่ามีกรรมฐานตามฐานะฐานะก็กรรมฐานะนี่แหละก็เรียกว่า ฐานะปฏิบัติกรรมก็คือกระทากระทำตามฐานะโซดาบันก็มีกรรมฐานสีหน้าเป็นต้นอ่าสกิทาคามีโกศิล8เป็นต้นก็ปฏิบัติตามฐานะของตนของตนมีกรรมฐานนะั้นเป็นตัวปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติทั้งในขณะคิดในขณะพูดอยู่ในขณะทิ่การกระทำต่างๆกรรมนตะให้เกิดสมาธได้ ม, มัมีมิจฉามิจฉาสามในสังกปะมิจฉาสีในวาจามิจฉาสามในกรรมตะมิจฉาห้าในอาชีวะทั้งทํางานการเรียกชีพยอยู่สร้างสม า, มาธินี่มัดองค์8ดสมาสมาธิทําให้สมาเกิดปฏิบัติมัดเจ็องค์เนี่ยในมาหาจัตตารีสกสูตรบอกไว้ชัดปฏิบัติมัดเจองค์เป็นเหตุเป็น อ, อ, อ, อนิสังสา อุปนิสังสาเป็นเหตุเป็นปริาราเป็นองค์ประกอบเป็นบริการเป็นสิ่งที่ประกอบกันอยูอ่แล้วก็เรียนรู้วิธีปฏิบัติเรียนรู้การอ่านจิตเรียนรู้การวิจัยโดยโพดชง7หรือโพธิปักเตียธรรมสามสิมีสติปัฏฐาน4มีสมาปัฏฐาน4ด้วยอิทธิบาทสีแล้วก็ปฏิบัติจนได้ผลสั่งสมเป็นอินทรีย์หพละหเป็นต้น โดยมีหลักของโพจนชงเจ็และมักแปดเป็นฐานหลักเรื่องนี้เป็นต้นนี่เป็นของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้ายุคนั้นอุบัติขึ้นมาปฏิบัติทำไปถ้าต้องอนุโลมปฏิโลมอย่างมากเขาปฏิบัตินั่งหลับตากันหมดแล้วก็ออกป่าออกเขาออกถ้ำกันหมดแม้ท่านเองท่า น, นก็ต้องหลงทางออกป่ากับเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็สอนตั้งแต่อยู่ในป่าสอนตั้งแต่อยู่ในป่า ก็ต้องสอนอนุโลมเขาเช่นใช้คำในอาณาปานสเติอยู่ในป่าก็าดีอยู่โคนไม้ก็ดีอ่าอยู่เรือนว่างก็ดีในบางที่จะบอกว่าอยู่ในที่แจ้งอยู่ในลอมฟางอะไรยงี้เป็นต้นมีบางบางสูตรบอกอย่าปฏิบัตินั่งตั้งบรลลังก์ตั้งกายตรงมีครูบรลลังก์ตั้งกายตรงอะไรยงี้เป็นต้น ซึ่งการคู่บัลลังก์ตั้งกายตนเนี่ยเอาเรค่อยๆแวดอธิบายว่าคู่บัลลังก์มันต่างกันกินว่านั่งสมาธินั่งสมาธินี่ขัดสม า, ขาขดขาแต่นั่งคู่บัลลังก์เนี่ยขาไม่ซ้อนกันขอพระพุทธเจ้าในรายละเอียดมีอีกได้ข้อมูลมาในพระแต่ปิฎกขอพระพุทธเจ้าไม่พาทำนั่งซ้อนขาให้นั่งไม่ซ้อนไม่ไม่ซ้อนขาไม่ซ้อนชั้นนั่งขาบางบางเรียงกันข้างหน้าไม่ไม่ไม่ทับกัน ไม่ขับไม่ทับกั น, นอันนั้นเป็นข้อดุสีกับข้อพระเจ้านั้นไม่ไม่ซ้อนกันมีในสเอริวสามสามสิบสองข้อพระเจ้ามีหมดเดี๋ยวไว้ค่อยว่าหลังมาพูดกันเรื่องนี้นเอาตรงนี้ก่อนประเด็นสําคัญเนี่ยเทวตามา ต, ต้องกล่าวซ้ํากล่าวซากแล้วก็ต้องทบทวนเพื่อจะยังให้ให้ได้เกิดปฏิพานปัญญาเพราะรู้ว่าการปฏิบัติในยุคนั้นพระพุทธเจ้าต้องอนุโลมปฏิโลมุฮูต้องพูดให้ ก็ค่อยเอระบายก้จะหักโค้นก็ไม่ได้เพราะศาสนาพูดเป็นศาสนาที่แตกต่างคนนับถือศาสนาปาเข้าปาสะกดจิตแบบฤาษีทั้งนั้นแบบสมาธิหลับตาทั้งนั้นไม่ใช่สมาสมาธิเลยไม่สามารถที่จะรู้กิเลสตัวจริงจับวิญญาณได้ทนโทุเมื่อมีผัสสะสามตามปฏิสมุปาที่เคยเอามาอธิบายบรรยายแล้ว แล้วก็รู้จักวิญญาณตัวนี้รู้จักวิญญาณแท้ๆเลยเห็นลัดลัเลยอาการของวิญญาณเกิดแล้วก็อ่านวิญญาณนั้นซึ่งจะมีเจตสิกสหมวดเจตสิกสเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกของวิญญาณแล้วก็เรียนรู้วิญญาณด้วยสัญญาด้วยสังขารนะซึ่งหมวดที่ปฏิบัติจริงก็อยู่ที่สัญญาเจตนากัะพริบสัสัญญา นามของท่านนามธาทำของท่านเนี่ยที่ท่านแจกไว้ให้แล้ววันนามมาทำเนี้ให้รู้จักเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการเวทนามันเป็นองค์ประชุมเป็นสังขารเวทนานี่เป็นสังขารกายสังขารจิตสังขารส่วนมณสิกานี่เป็นการปฏิบัติไปการทาใจในใจไปการปฏิบัติทำใจในใจให้เป็นให้โยนิโส เพราะฉะนั้นในภาคที่จะทาในนามธรรมก็คือใช้สัญญารู้จักเจตนาเมื่อมีผัสสะเพราะฉะนั้นในนามธรรมห้าเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ความแช่สังขารเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิกาณนะอาจมาแยกให้ฟังนนะว่าเวทนานี่คือสังขารของจิตมันสังขารปรุงแต่งเป็นสุข กเวทนาเป็นทุกขเวทนาหรือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขของเวทนามันปรุงไปเลยเป็นสังขารกายสังขารหรือจิตสังขารก็ตามเดี๋ยวข้อธิบายการสังขารจิตสังขารสังขารตัวนี้แหละคือสังขารตัวที่อวิชชาตามปฏิสมุบาตผู้ที่อวิชชาไม่รู้จักสังขารก็คือสังขาร3ตัวนี่แหละกายสังขารจิตสังขารไมจิสังขานี่แหละไม่รู้จักเพราะฉะนั้นจัดการกับสังขารทํากับสังขารไม่เป็นก็คืออภิสังขารไม่ได้ ทำสังขารอย่างยิ่งทำสังขารอย่างสําคัญอภิสังขานนีรทําไม่เป็นถ้าทําเป็นก็จะเป็นปุญญาพิสังขารบุญก็คือกำชำระกิเลสกำจัดกิเลสออกไปได้พอหมดแล้วก็ไม่ต้องชำระแล้วก็เรียกว่าอปุญญาอปุญญาพิสังขารซึ่งเมื่อไม่เข้าใจเรืงโลกุตตะก็ไปอธิบายอปุญญาแล้วไปตีความว่าเมื่อไม่เฉดบุญก็เป็นบาปตีความกลับแ้วท่านที่เมื่อใดบอกว่าเป็นปาปะปาปะพิสังขาร ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นปลาปลาพิสังขารนะถ้าไม่ได้บอกว่าปรุงเป็นบาปไม่ได้บอกเลยถ้าบอกอับุญญะพิสังขารอัุญญาพิสังขารเพาราะฉะนั้นความความไม่มีสภาวะความไม่รู้โล ก, กุตระก็จะไปตีความเอาอับุญญะเป็นบาปท่านได้บอกว่ามันไม่ต้องปุญญะแล้วไม่ต้องชําระกิเลสแล้วยิ่งเป็นพระอริยะเป็นพะระอรหันต์แล้ว ก็ยิ่งสิ้นบุญสิ้นบาปเลยนะปุญญาปา ป, า ป, าปริกีโนเลยสิ้นบุญสิ้นบาปไม่มีแล้วบุญบาปจบบุญก็ไม่ต้องทําบาปก็ไม่ต้องมันไม่มีแล้วบาคือกิเลสสิ้นเกลื่อนนะเพราะฉะในขณะปฏิบัติอภิสังขาเนี่ยเมื่อไม่ต้องปฏิไม่ต้องทาระแล้วก็เหลือแต่รักษาผลทําได้ทําสําเร็จกิเลสมันหมด ก็รักษาผลทําให้มากทำไม่มาอาเซวนาภาวนาพระมรดิกมังหรืออันุรักษณาประทานรักษาผลไปเรื่อยรักษาผลไปให้อนเนนชาอนเนนชาเป็นอนเนญชาพิสังขารในการทําอภิสังขารให้มันเกิดอนเนญชาพุทธะโสโลกะธรรมีจิตตังยสสะนกกรรมติจนแข็งแรงมีจิตแข็งแรง ของอุเบกขาฐานฐานของสุดท้ายฐานที่มันบรรลุฌานสแล้วเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบได้อรุปฌานสแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติรักษาผลหรือว่าทำอีกทำอีกทำอี ก, อ, กอาเซวนาภาวนาพระหฤทกําำมังไปอีกไปอีกไปอีกไปอีกสร้างอเนชาพิสังขาร น, นั่นเองเพราะเมื่อไม่รู้จักสังขาร ก็เข้าใจอภิสังขารไม่ได้ว่าคืออะไรท่านจึงมาแปลขออภัยอัตมาต้องพูดความจริงตรงๆเป็นความเห็นของอัตมาว่าท่านจึงแปลเพี้ยนไปแปลไม่ถูกไม่ตรงขยายความของอภิสังขารนี่ไม่ได้อภิสังขารสามนี่เป็นโลกุตระเข้าใจสภาพโงกุตระที่หมดอันนี้แล้วรอบนีแ้แล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งถึงปุญญาภิสังขารก็ได้ขนาดหนึ่ง พอเป็นอับบุญญาพิสังขารก็สูงขึ้นไปอีกรอบอะเนชาพิสังขารก็สูงขึ้นไปอรอบไมอีกอันหนึ่งไม่ได้ถ้าก็ได้แต่วนกลับไปกลับมาไม่บาปก็บุญไม่บุญก็บาบไม่บาปก็บุญไม่บุญก็บาปไม่นกก ร, รกกปฐมวันสบายกว่านโกแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมันหมดสวรรค์หมดนรกหมดแล้วไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นลักษณะที่หมดสิ้นเป็นนิพพานหมดทุกข์หมดทุกข์ปฐ ม, ม, มวันหมดนรกนะ นี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นที่อาตมากเกริ่นเพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านสอนอาณาปานาสติเขาทําอานาปานาสติกันทั้งนั้นในตอนนั้นเข้าป่าเข้าทาอยู่ในเขาอยู่โคนไม้อะไรนี่ไปหาที่สงบสงัดหลับตากันทั้งนั้นพระเจ้ากระตอกอนุโลมเออเอาเถอะจะนั่งหลับตาจะอยู่โคนไม้ท่านไม่พูดถึงหลับตาเลยคําว่าหลับตาไม่มีหรอก ไม่เคยมีเลยอาตมาเคยให้ทางให้หาว่าคำว่าหลับตาปฏิบัติอยู่ในพระไตรปิฎก45เล่มนี้มีสักคำไหมที่ไหนไม่มีนั่นั่งอยู่ปฏิบัติอยู่ในป่านี่ก็ตามอยู่โคนไม้ ก, ก็ตามอยู่เรือนว่างนี่ก็ตามก็ตามหรือก็ดีนอยู่ป่าท่านใช้คำว่าวาก็ดีครับนี้คือคาว่าวาหรือปแปลว่าหรือหรือไม่หรือว่ายางนี้ อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั่นก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้หรืออย่างนั้นอะไรเงี้ยคำว่าวามันหมายความอย่างนั้นท่านจะคุณจะนั่งอยู่ป่านี้ก็ตามจะอยู่ในเมืองก็ตามจะอยู่กับสังคมก็ตามถ้ามีกรรมฐานกับปฏิบัติในสังคมไม่ต้องออกมานี่หรอกแต่ที่นี่มันไม่มีหรอกศีลไม่เกี่ยวเลยนั่งหลับตาไม่เกี่ยวกับสีนเลยไม่เกี่ยวกับสีนนั่งหลับตาศีห้าสีแไม่เกี่ยวนี่ มันไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปเกี่ยวของของผิดพวกเขาเมียใครไม่ต้องไปพูดอะไรเลยจะไปเมาอะไรก็ไม่เมาอะไรแล้วไม่เกี่ยวกับเมาอะไรมันไม่เกี่ยวกับศีลสักข้อเดียวยิ่งศีลแปดแล้วจะต้องไปมีอะไรอะไรโอจะต้องไปกินมิการโภชนาจะต้องไปเกี่ยวกับมาลาคันทวิเลปณะไม่เห็นเกี่ยวเพราะฉะนั้นปฏิบัตินั่งหลับตานี่ไม่มีศีล แต่เขาไป็นโมเมว่านันแหละนั่งหลับตาได้เป็นสมาธิลศีลจะบริสุทธิ์เขาโมเมอธิบายโมเมไปเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยๆศีลนะไม่ได้เป็นกรรมฐานในการปฏิบัติกาหนดฐานะของบุคนศีลเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติลรือกระทำตามฐานะของตนของตนนะเพราะศีลก็สมาธิทำให้เกิดจิตไม่ไม่สัมผั์กันศีลก็ไปปฏิบัติเฉพาะกายวาจา แต่ของพระเจ้านั้นศีลทําให้เกิดจิตเป็นอวิปปิสารเป็นปรมมุชะเป็นปีติเป็นปัสสัต t h เป็นอะไรต่เป็นอย่างนี้ต้องเป็นสมาธิเป็นยะถาพุทธยานทัศนะเป็นมิมุตตยานทัศนะไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่เหมือนกันนะเพราะพระเจ้าตรัสไว้อย่างในกิมมัติยาสูรีศีลนี่ปฏิบัติแล้วก็จะทําให้จิตนี่มันลดความเดือดร้อนนะอวิปปิสาร ความลำบากใจร้อนใจเนี่ยมันจะลดลงลดลงเป็นปราโมดเป็นปีติเป็นปัจจติเป็นสุขเป็นสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วก็เป็นยถาพุตตะยานทัศนะแล้วก็เป็นนิพิทาวิราคะและก็เป็นอิมุดอมิติมุดยานทัศนะนี่คือลำดับของการปฏิบัติศีลจะมีผลบรรลุก็ตั้งสุดท้ายก็ ดับกิเลสหมดสิ้นอาสวะสิ้นเป็นมิมุตได้ซึงมิมุตอย่างนี้เป็นตน้นสิ้นท้ายเป็นมิมุติได้ผลเป็นอนิสงเป็นเป็นมิมุตอนิสง์ของศีลแต่ไปอธิบายก็สิ้นไปปฏิบัติก็ได้กําหนดกายกวาจาส่วนสมาธิก็ไปนั่งหลับตาเข้าป่าไปอยู่โคนไม้ไปอยู่ที่ว่างหลับตานี่คือความเพียนไปผิดไปจากคําสอนพระอนุสาสนีของพระพุทธเจ้า ขอภัยนะที่อาตมา ต, ต้องกล่าวเปี้ยงว่าไอ้นี่ผิดและไอ้ถูกแน่นอนอาตมา ต, ต้องทำอย่างถูกเพอถูกพว ก, กล่าวถูกมันฟ้าของมันดีแต่มันไปว่าของคนอื่นเขาโอ้ยอาตมาเราไม่รู้จะทำยังไงมันเลี่ยงไม่ออกไม่พูดอย่างนี้อาตมาตจะไปพูดยัางไงานะอย่างน้อยก็คันโจวของเถอะขันโจวเห็นใจเถิดเห็นใจบ้างขันโจว รู้ภาษาจีนภาคกลางเขาอยู่แค่นี้เลยกับก็บเออะไร่อไอหนีเออมีอยู่สองคำคันโจหอกว่าบอไอห น, น, นีมันเป็นเพลงอาตมาก็เลยรู้ <laughs> เพลงคันโจหอกตรงนี้เพราะงั้นในอาณาปานสติที่อาตมามาพูดแล้วพูดอีกซ้ำซากนี่ก็เพื่อจะย้ำไม่เห็นว่าอาณาปานสตินั้น คือการปฏิบัติให้เข้าไปถึงจิตนะเช่นในอาณาปานสติสูตรนี่อัตมาก็ไล่ฟังแล้วว่าท่านตัดนะในนนพระแต่ปิดกเล่มเ14เนี่ยนะ <22. S 1> ก็ไล่ไปเรื่อยว่าผู้ปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่นะปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้มีอยู่เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาเป็นพระโสดาบัน หรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นผู้ยังทำอยู่ประกอบความเพียรอยู่สติประทานสี่หรือว่าสมประทาน4อยู่อธิบาท4ีอยู่อินสี่หพระห้าโพรจง7มรรคซึ่งเป็นโพธิปักเย่ทำเจ็ข้ออยู่ก็ังปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นเมื่ออาณาปานาสติเนี่ยปฏิบัติแล้วจะเกิดบรรลุอันนี้แม้มนยังไม่บรรลุยังไม่เป็นอริยะบุคคลส ก็จะต้องปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นต้นอยู่อานาปานสติเนี่ยก็นี่อยู่ในสูตรอานาปานสติก็จะต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4เจริญสม ป, ประทาน4และส ม, มะประทาน4ีเนี่ยนะไปนั่งหลับตาเลยทั้งวรนในสี่หแล้วก็ประหารกิเลสให้ได้แล้วก็ได้ผลภาวนาประทานแล้วก็รักษาผลอย่างที่อัตมาอธิบายไปแล้วเป็นต้นนะหรือยิ่งมาถึงมรแปด เราขอผ่านมาเลยทั้งอิทธิบาทอินทรพละแล้วก็พุทธชงมาถึงมรรคแมรรคแยิ่งชัดเลยว่าทำอาชีพก็ได้นะพูดการทำทั้งอะไรทั้งหลายก็ได้กรรมมันตะจะพูดอยู่ก็ได้ก็ต้องรู้จักสังกัปปะจิตที่ลำดีนึกคิดอย่างไรรู้จากสังกัปปะเจแยกแยกสังกัปปะเจได้ทำรรมณสิการทําจิตในจิตของสังกัปปะเจได้รู้จักสังขาร เข้าใจรู้แจ้งในตัววจีสังขารในสังกัปปะเจ็ดมผู้จะรู้วจีสังขารนี่จะต้องสัมมาทิฏฐิจริงๆนะเพราะเนี่ยถ้าเข้าใจแต่แค่ว่ากายสังขารวจีสังขารถ้าดีไม่ดีไม่รู้ว่าจีสังขารนี่จะไปเพี้ยนวจีสังขารเป็นวจีกรรมจะไปเพี้ยนจริงๆวจีสังขารยังไม่ใช่วจีกรรมยังไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยว่จีสังขารนี่ยังอยู่ในจิตอยู่ในองค์เจ็ของสังกปะดำหนีนึกคิด ลำดีนึกคิดยังยืในใจใจนะยังไม่ออกมาเป็นกรรมกิริยาข้างนอกนะยังไม่จะเวจีกรรมนะวจีสังขาร น, นี่เป็นจิตนะอยู่ในเป็นองค์ธรรมส่วนหนึ่งของจิตสังขาร น, นะวจีสังขารเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่มีสภาว่านิอัตมาว่ากันยากอยู่แต่ฟังอัตมาอธิบายดีๆเนี่ยพูดยิ่งปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยมีพื้นฐานมัโอ้โหจะเข้าใจชัดเลยว่าโอ้เพิ่งรู้สังขารพระยชนสังขารสาม กายสังขารจิตสังขารบัจีสังขานี่นี่แหละคือผู้ที่เรียนรู้จะเกิดวิชารู้จักสังขารและสังขารเหล่านี้คืออะไรคือวิญญาณกายสังขารก็คือวิญญาณจิตสังขารก็คือวิญญาณวัจีสังขารก็คือวิญญาณก็คือหมวดของเวทนาสัญญาสังขานั่นแหละกายกายนี่คือหมวดของเจตสิกสาม ในปัจจานุกรมบาลีก็แปลว่าอย่างนี้กายะนี่คือหมวดของเจตสิกสมหมวดของเจตสิกสาคือเวทนาสัญญาสังขารนี่จะมายืนยันหลักวิชาบัญญัติพยัญชนะและหลักฐานลูกพุทธเจ้าตลอดในการอธิบายเหมือนอวดเก่งเหมือนอวดเก่งแต่ถ้ามันถูกมันก็เลยจะกลายเป็นคนเก่ง ได้โดยที่ไม่ได้อยากเก่งเลยแต่อธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้ฟังเท่านั้นเองสิ่งผิดก็ไปว่าสิ่งผิดอยู่นี่เกณฑ์นีกก่ค่หาระหังปักเกณฑ์ปกกัปกคหารหังสิ่งถูกก็ยกสิ่งถูกสิ่งผิดก็ยกก็ว่ากดคมดูถูกหรือว่าไม่ยองย่องไอสิ่งไม่ถูกก็ปัดก็พูดกันอย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นน่ะ เพราะฉะนั้นในอาณาปานาสติสูตรเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจารายละเอียดจริงๆ <c oughs> ก็จะไม่ต่อเนื่องไปถึงกายคตาสติกายคตาสติก็ดีอาณาปานาสติก็ดีก็ปฏิบัติทั้งสองอันนี่แหละมันจะอยู่ดนอันหนึ่งคู่เลยไม่แยกกันเลยอาณาปานานี่ในนี้ก็นอาณาปานาสติก็ตรงนั้นะ่ะก็อาตมายกตัวอย่างมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งวอนทั้งรวม ทำอาชีพทำอะไรก็รู้แนะ่แต่ออกมาเป็นองค์ประชุมของทุกกรรมกิริยาข้างนอกเกี่ยวข้องกบัสบสัมพัทสัมพันธ์อยู่อะไรข้างนอกเป็นปกตินะแต่เมื่อเข้าใจไม่ได้มันก็ยากนะอนมามพยามอธิบายเนี่ยถ้าเข้าใจได้ก็จะโอจะเข้าใจดีลึกซึ้งนะเพราะนักการการทาอนาปานสตนท่านอธิบายเข้าไปถึงจิตเพราะมันจะเหลือลมหายใจเข้าลมหายใจออก เชื่อธรรมะก็ขยายควา ม, มรู้กี่ทีแล้วอาณาอ า, าปาณนะตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่คุณก็มีสติปฏิบัติทมไปตั้งแต่กายคตาสติแล้วก็ปฏิบัติสตินั้นในสติปัฏฐานสพิจารณากายในกายเมื่อสัมผัสแล้วก็บรรพนากายในกายกายในกายวิทยานวิทยาจิตจิตทำอะไรทำเนื่องกันอีกไม่แยกกันหรอก องประชุมนี้แหละองประชุมทั้งหมดในรูปนามเนี่ยมันก็มีทั้งรูปและนนามตั้งแต่รูปนั้นเกี่ยวข้องมาตั้งแต่มหาภูตรูปสี่ดินนามไฟลมหรืออะไรสมบัติข้างนอกทั้งหมดนี้เมื่อเรามีตามีปภาษาทรูปหูจมูกดินกายหนะ้าและกระทบทางตามันก็เป็นรูปกระทบทางหูมันก็เป็นเสียงกระทบทางจมูกก็เป็นกลินกรรลก่นรกระทบทางลิ้นก็เป็นรสกระทบทาง ผัดสะเป็นผดถัพะทางกายข้างนอกมันก็เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอะไรที่เราสัมผัสแล้วรู้ตัวเรารู้ได้มันก็เป็นห้าห้าแล้วก็มาเกิดภาวะรูปให้เรารู้จักเป็นวิญญาณภาวะรูปนี่คือวิญญาณเป็นนามมารูปตามปฏิสมุบาติวิญญาณมีนามรูปเป็นปัจจัยเพราะเขาใจนามมารูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ หูกระทบเสียงก็เป็นรูปจมูกกระทบกลิ่นกลิ่นก็เป็นรูปลิ้นกระทบรสรสก็เป็นรูปกายผดผโถะสะปัดก็เป็นรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ยานรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปยานรู้เรียกว่าน้ำนะยานรู้เรียกว่าน้เพราะอมสำรวมอินทรีย์ ก็หทวานนอกเนี่ยท่านก็อธิบายในรูปต่างๆนี่มันเกี่ยวข้องกับรูปแล้วมันก็ประชุมกันได้วยบกายเพราะตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีของที่จะกระทบสัมผัสมีรลประกินเสียงสัมผัสสัมผัสแล้วก็เกิดองค์ประชุมขึ้นมาเป็นภาวะรูปภาวะรูปก็แบ่งเป็นสองเป็นอิท ธ, ธิภาวะเป็นมุริสภาวะนั่รูปทั้งสองนี่แหละต้องเรียนรู้ให้รู้ว่าถ้ายังเป็นอิท ธ, ธิภาวะอยู่ยังไม่ใช่เอกกบุรุษ ยังไม่ใช่เลิศยังไม่ใช่ยอดยังไม่ใช่สุดท้ายทำให้มันเป็นเอกให้ได้มาเรื่อยๆตามสภาพตามขั้นตอนตามรอบแต่ละรอบแต่ละรอบท่านนี้อธิบายยากมากเลยเหมือนก้นหอยเนี่ยรอบนี้ได้ไปแล้วก็ขึ้นไปขั้นที่สองรอบขั้นที่สามก็ไปเรื่อยๆจนสุดยอดก้นหอยเป็นวงวนสุดท้ายก็มีสภาพที่วนเป็นรอบเรียกว่าโลกุุตระ โลกนี่คือหมุนวนแต่โลกียะหมุนวนเวียนอยูน่นะสุขสขทุกขขึ้นลงต่าเออขึ้นสูงลงต่ําต่งต่ำสูงสูงหมดตีนกาหกกระเมนอยู่กับนรกสวรรค์อยู่ตลอดแต่ของโลกุตตระนั้นตัดนรกไปเรื่อยเรื่สวรรคโลกียะสวรรค์สุ ข, ขคัิกะก็ตัดลงไปเรื่อยเื่อตัดลงไปเรื่อยจนสุดท้ายหมดสวรรค์นรกไม่หมุนละหมดวนหมดหมุนละ โลกุตรสุดท้ายก็หมดโลกเป็นโลกนิโรธเพราะดับสมุทยัยโลกสมุทัยดับมดแล้วก็เป็นผู้ไม่มี <c oughs> เพราะเป็นผู้มีว่นเองแล้ว <c oughs> เพราะเป็นผู้มีอัติโลเกนะอัติตาเพราะถ้ามีผลถ้าปฏิบัติมีผลทั้งก็เลยสุดท้ายจบไม่มีส่วนผู้ที่เนี่ยมันไม่มีผลเลยนะนัติโลเกนนัติตาปฏิบัติไม่มีผล คุณก็ไม่มีเลยไม่มีผลตลอดเวลาไม่มีความไม่มีไม่มีความที่จะดับให้มันไม่มีนี่คุณไม่มีจึงว่าผู้ที่ปฏิบัติโลเกนะนัตติตาย่อมไม่มีผู้ที่ปฏิบัติโลเกนะอัตติตาย่อมไม่มีก็งงสิแล้วอะไรมีไอ้นี่บอกว่าไม่มีโลกนะ นัตถิโลเกเะนัตถิตาไม่มีโลกก็คือไม่มีโลกนิโรธมีแต่โลกสมุทรไทยไม่มีผลของการทำให้เกิดโลกนิโรธผู้นี้ก็ย่อมไม่มีเมื่อคุณไม่ได้คุณไม่ได้ไม่มีโลกกุตระนั่นเองไม่มีโรคกุตระรอบแรกก็ไม่มีรอมสองก็ไม่มีรอบสารอบสีก็ไม่มีถ้าทาได้รอบหนึ่งคุณก็ไม่ทำไม่ได้รอบสองรอบสองไม่ได้คุณก็ได้แต่รอบหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้น น, นี่คือสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่เป็นเรียกว่าปฏินิสสคะที่ลึกซึ้งมากของโลกุตระดัะะงั้นถ้าเราเข้าใจสภาพที่จิตเราจะต้องทาทาตามหรืออาณาปานาสติ16บเมื่อวานใอาตมาอธิบายไม่ถึงมันก็แม่อยากอธิบายอ่ ะ, ะอยากอธิบายอ่ะ อาณาปานสติเนี่ย อ, อาณาปานสติ16นี้นะอ่ ะ, อ, ะอยู่ในนี่ไม่มีสูตรอาาปานสตินี่ไม่มีรายละเอียดตรงนี้เอ๊ะทไมไม่มีอะอะ่ที่บอกว่าก็ลมเข้าลมออกอ๋ออยู่ในข้อข้อ แปดสิบแนะหายใจเธอย่อมหายใจออกอหายใจเข้านี่นะอยู่ป่าก็ดีอยู่คนมากก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่บัลลั ง, ต, งตั้งกายตรงตั้งลำลองสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสตินะนี่แหะคุณจะนั่งหลับตาอยู่ที่กรตานก็ต้องมีสตินะมีลมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ า, อ, าอันนี้หนึ่งหนึ่งในอัตมา ตัดตรงนี้แต่ท่านที่พันธุ์บุรุษทั้งหลายท่านไม่ได้ตัดตรงนี้ท่านไปตัดตรงอื่นมันไม่ตรงกันอัตมาอันแรกนี่รู้ว่าหนึ่งหายใจออกสองหายหนึ่งหายใจออกและในหนึ่งนี่มีหายใจออกกับหายใจเข้ามันต่างกันนะต้องให้รู้ว่าเออนี่คือลมหายใจออกนี่คือลมหายใจเข้านี่หนึ่งสองเมื่อหายใจออกยาวกรูชัดว่ายาวหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ใจว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นก็เพิ่มจากหายใจออกหายใจเข้ามาเป็นเข้าก็ตามมันยาวนะก็สั้นนะใจออกหรือเข้ามันก็สั้นมันก็ยาวทั้งคู่อันไหนยาวอันไหนสั้น รู้นัยยะที่ต่างกันตรงสั้นกับยาวอั น, นแรกนะ่ะออกกับเข้าอันที่สองนี่ออกเข้ารู้แล้วยาวกับสั้นอ่าอัตมามาแบ่งตรงนี้อันที่สองนี่ยาวเดีสั้นอ่าอันที่สาสเนียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงกองลมทั้งปวงนี่พระบรีจันช้อะไรสัพเะอะไรหายใจออก ว่าจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหมายความว่าต้องกำหนดรู้กองลมอยู่นะกองลมทั้งปวงเนี่ยบารีทานวา่าอะไรเห็นมามกองลมนี่มันเข้ามาแปลแป ล, แปลคาว่ากายะเป็นกองลมะขันมันมีกายะมันมีกายด้วยใช่ไหม เอาไม่ใช่อันนั้นต่อไปอันนี้เนี่ยเมื่อหายใจออกสัมเหียกอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กําหนดรู้กําหนด ร, รู้ประสิทธิสังเวทีใช่กําหนดรู้นี่ก็ ป, ประเจ้าสัพพกายะท่านบอกสัพพกายะนี่อันมาไว้อยู่ตรงนี้สัพพกายะกาย ะ, ะ, ายะไม่ใช่กองล้ม <c oughs> กายะคือองค์ประชุม <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ตีความไงไม่ผิดนะ แต่อัตมายัางให้ไปถึงพระบาลีเลยถ้าใช้คําว่ากายถ้าไม่ใช่ใช้คำว่าวายโยวายโยแปลว่าลมแต่ไม่ใช่กายนี่สัพภกายะไม่ใช่สัพภวะยะไม่ใช่สัพภาวะโยนี่สัพภกายองค์ประชุมนะองค์ประชุมของข้างนอกและข้างในพราว่าสัพภกายแปลว่าองลมทั้งปวงอ่าสัพพะนแะปลว่าทั้งปวงเพราะว่าคำว่ากายคํานี้ท่านไปตีความเอาว่าเป็นกองลม คือกำลังพูดถึงลมเข้าลมออกลมสั้นลมยาวไงก้อนสำเนียงถึงกองลมนี่อยู่สาเนียง ก, กายอย่าทิ้งกายเพราะในนี้จะกาชับท่านจะคาชับจะทิ้งกายนะอันนี้แหละเห็นไหมเพราะเข้าใจถึงลมนี่ไม่เห็นความสําคัญในคําว่ากายผู้แปลนี่ไม่เห็นความสําคัญในคําว่ากายที่จริงแล้วสําคัญมากแม้นอาณาปานะก็ทิ้งคาว่า ก, กายไม่ได้ทิ้งคําว่าข้างนอกไม่ได้ กายนี่คือเครื่องนอกคือธาตุลมดินน้ำไฟลมนะกายนี่เครื่องนอกนะสัมเนียกองลมหายใจออกว่าเราจะไปพูดกำหนดกองลมอยู่กำหนดสัพภกายอยู่กำหนดกายอยู่นะหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจะระงับกายสังขารทีนี้ท่านไม่แปลภาษาแลว้วตอนนี้ทับสับพภกายสังขารอันแรกนะั่นสัพภกายอันสองนี่กายสังขารเพราะฉะนั้นคําว่ากายกายกายต่อมานี้ ถ้าเรียนรู้คำว่ากายนี่เพียนแล้วเนี่ยไม่ได้เลยเพราะคำว่ากายเนี่ยทิ้งข้างนอกไม่ได้ทิ้งได้ถ้าคุณสามารถอยู่ได้สามารถเหนือกายแล้วเหนือข้างนอกแล้วขออธิบายแทกเช่นพระอนาคามีองค์ประชุมข้างนอกตากระทบรูปหูกระทบเสียงอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยในการมาพบท่านกระทบแล้วท่านสัมผัสกายมาพบแล้ว ท่านอยู่เหนือกายสังขารนอกนี่หมดแล้วเพราะฉะนั้นพระอนาคามีนี่เหลือแต่จิตสังขารถ้าอย่างนี้แล้วแล้วก็กายสังขารอันนี้คือนามกายของจิตสังขารคือนามกายของจิตสังขารพระอนาคามีก็ไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับรู ป, ปกายเพราะรู ป, ปกายท่านอยู่เหนือแล้ว ท่านก็พิจารณาอ่านสกิเลทีท่เหลือที่เป็นนามากายคือจิตสังขารเพราะร่างกายสังขารพร า, ารพระนาคามีไม่ต้องแล้วแต่คำว่ากายคานี้ในนามธรรมาก็เรียกกายเพราะเป็นองค์ประชุมของรูปและนามเหมือนกันรูปคืออะไรคือสิ่งที่ถูกรู้จิตเจตสิกรูรปรูปคำนี้แหละคือสิ่งที่ถูกรู้แต่รูปเว็นนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปคำนี้คือกองขันรวมมาทาั้งนอกเลยทั้งดินน้ำไฟลมยังรูป28เนี่ยมหาภูต ร, รูปสี่นั่นคือข้างนอกแน่ๆเลยมันเข้าไปในจิตไม่ได้แต่ภาษาทรูปกับโคจรารูปภาษาทรูปห้าโคจรรูปห้ากลางๆแลยตอนนี้เป็นตาหูจมูกดินกายกับการไปเกี่ยวข้องโคจรหรือวิสัยยะเข้าไปสัมผัสไปร่วมสัมผัสกัน ก็เกิดวิญญาณวิญญาณก็เกิดเป็นภาวะรูปภาวะรูปนี่เป็นน้ำเป็นจิตเจตสิกเกิดวิ ญ, ญญาณและก็เรียนรู้วิญญาณนี่ไปจากภาวะรูปก็จับได้แล้วว่าภาวะรูปนี่อาการเขามันอยู่ตรงไหนตรงไหนก็เป็นหัทถยรูปรู้เลยนี่นี่นี่คือร้คือนามธรรมนี่เป็นหัตถ์เป็นตัวจิตวิญญาณหัทยรูปมันอยู่ตรงนี้ แล้วก็เรียนรู้ไปเลยจากอาหารรูปปฏิเชทรูปชีวิตรูปหรือชีวิตอินสีของมันรู้ว่าอินสีของมันชีวิตของสัตว์สัตว์ทางจิตวิญญาณสัตว์ทางโอปปาติกะมันยังมีชีวิตสัตว์อยู่นะต้องกำจัดความมีชีวิตของสัตว์ใให้ดับสัตว์ฆ่าสัตว์ในให้ตายสัตว์ทางจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะสัตว์หรือสัตตาอปปาติกะ แล้วก็ทําให้มันตายอย่าให้มันเกิดมันเกิดอยู่เลยว่าโอปปาติกะโยนิมันเกิดเป็นสัตว์นรกอยู่ฆ่ามันให้ตายดับมันเหตุดับเหตุมันให้มันสัตว์นี้ตายเมื่อเห็นมันตายคุณก็เห็นความดับเห็นความตายเมื่อคุณเห็นมันเกิดคุณก็เห็นความเกิดดับมันจนไม่เกิดอีกคุณก็รู้แล้วว่าความเกิดไม่เกิดอีกแล้วเป็นอรหัตผลแล้ว ก็รู้ทั้งความเกิดความตายรู้ทั้งอรหัตผลชัดๆไม่ได้งมงายไม่ได้เดาไม่ได้คุ้มเครือเห็นแจ้งเห็นชัดเพราะฉะนั้นมันยังมีชีวิตตินสีของความเป็นสัตว์อยู่มากหรือน้อยหรือเหลือเศษอาสวะก็ยังเหลือสัตว์อยู่หน่อยเดียวเหลือเศษทุลีละองทบทวนในรูปฌานสี่จะเหลือนิดเหลือน้อยอกินจันหรือว่าจะ สะอาด จ, จริงหรือเปล่าอากาศสร้างวิญญาณจารผ่องใสสะอาดหยิดวิญญาณสะอาด จ, จริงหรือเปล่าอรกินจันมีเศน้อยเศเล็กเศษน้อยไอ้ที่จะให้ไม่มีต้องไม่มีแล้วก็ต้องรู้ในวัฏฏิยาน า, นาัญญาต้องกําหนดรู้ให้หมดทชัดไม่รู้ไม่ได้ทุกสัญญาณนาฏนะสัญญากําหนดให้รู้หมดกําหนดสัญญาเวทยิจ ต, ตังเข้าเคลียอารมณ์เข้าเคลี เ, คลเวทนาในเวทนาถึงร้อเลยขออภัยพูดเร็ว ก็พิจารณาเวทนาไปร้อยแเลยจนกระทั่งถึง3กาละทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกจนกระทั่งถึงฝ่ายส่วนอดีตส่วนอนาคต 0-0-0 ยจนนิจจังทุบวังสัสตังกวิปริณามพระธังสังเนสังกูปังโอ้โหโปรดิรักน์ในพูดยังการปริเรียน18บแนะโอ้โหมันก็พอจะหมั่นไส้ตนเองมึงกันนะทำเป็นอวดดีอวดดี แต่มันอยากให้รู้อยากให้ฟังอยากให้ทําความเข้าใจตั้งใจฟังดีๆสุดสู้สร้างรัปเตปัญญังอย่าฟังแล้วเพ่งโทษปรตโตโคสังให้ดีๆจะโยนิโสมนัสิการได้จะเข้าใจโยนิโสมนัสิการแล้วจะเอาไปทําเป็นจะได้สมาธิถฐิสักทีท <c oughs> ไม่งั้นปรตโตโคสัก็ไม่ได้โยนิโสมนัสิการก็ไม่ได้ก็ไม่ชัดถี่ถี่มาอยู่ตลอดกาลนานเท่า น, นั้นแหละองค์ประกอบของสมาธิถี่มันก็อยู่สองอย่างนี้แหละปรตโตโคสักับ โยสมมนติการนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วเราก็รู้จากกายสังขารองค์ประชุมขั้นนอกยังไม่ได้เป็นอนาคามีก็รู้จักมันให้ได้กายะปฏิสังเวทีองค์ประชุมของกายสังขารเมื่อรู้องค์ประชุมแล้วก็ทําให้มระ ง, งับปัดซ้ำพยังกายสังขารังปัดซ้ำพยังทําให้กิเล่มระงับเมื่อระ ง, งับแล้วมันก็เกิดปิติ เกิดสุขก็กำหนดรู้สุขกำหนดรู้ปิติกาหนดรู้สุขแล้วก็ทำให้มันดับไปรู้จักผู้กำหนดรู้จิตสังขารเพราะงั้นไอตัวปิติหรือตัวสุขนี่มันเป็นันเป็นจิตสังขารเป็นตัวจิตรู้จักความเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจากรระ ง, งับจิตสังขารก็ระ ง, งับปิติระ ง, งับสุขอีก ว่าเราจะระ ง, งับสังจิตสังขารหายใจเข้าสัมเนียกอยู่ว่าเราจะ ก, กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจะ ก, กำหนดรู้จิตนี่คือจิตนี่คือจิตไอ้ต้นน่ะมันคือกายกายกายแล้วไปแปลว่ากองลมก็ไม่เป็นไรอัตมาไม่ไ ม, ไม่สับไม่สับสนแต่พยัญชนะเดิมของพระปาลีเนะี่ยถ้าสรรพกายะอ่าแต่ถ้าไปแปลว่ากองลมอัตมาก็เข้าใจแปลว่ากอง กองนี่คองคประชุมของรูปเป็นา้ำกองนี่คือองค์ประชุ ม, ปปนนมกองเนี่คยคำว่ากองเนี่กายเนี่แปลว่ากองกองหรือหมู่หรือองค์ประชุมหรือองค์รวมนะเรียกว่าขันก็ได้นะนะเรียกว่าพวกหมู่กลุ่มได้ทั้งนั้นนะเป็นองค์รวมเป็นองค์ประชุมองค์ประกอบอยู่ด้วยกันนะเพราะงั้นมันจะต้องมีทั้งรูปและนามกาย เมื่อปฏิบัติจกนกระทั่งภายนอกด้วยนี่หมดแล้วอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้เป็นพระอนาคามีก็เลดจิตก็ทําให้ในส่วนที่เหลือระงับลงได้เมื่อสามารถทําลงได้แล้วสําเนียกอยู่เป็นผู้กําหนดจิตเมื่อกํำจัดจิตหาใจเข้าอยู่ว่าเราจะทําจิตให้ร่าเริงเพราะฉะนั้นแม้แต่ทํำให้กิเลสก็ตัวนั้นก็ดับมันเป็นปิตินี่เป็นอุปกิเลสเป็นสุขนี่เป็นอุปกิเลสก็ดับมันอีก เมื่อทำได้แล้วจบเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าแล้วก็ต่อจากนั้นก็สําเนียกอยู่ว่าเราจะทำจิตให้ร่าเริงเมื่อทำได้แล้วก็ไม่ใช่ทำจิตให้แห้งๆทำจิตให้ร่าเริงอัิเนื่อภิปโมทยังจิตตั้งหายใจออจกเราจะทาจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสําเนียกอยู่ว่าเราจะตั้งจิตมัน่นเรื่อ ง, งสมาธิต่างสมาธหั่งทำจิตให้แข็งแรงให้ตั้งมัน่นและ สับาททะหั่งนีแ่แปลว่าจิตหนุ่มห น, นุ่มอยู่เสมอทะหั่งนี่แปลว่าหนุ่มทหารนีน่แหละทหาาังแปลว่าจิตหนุ่มอยู่เสมอทำจิตให้แข็งแรงหนุ่มสอดอยู่เสมอสอดอยู่เสมอนหนุ่มอยู่เสมอมันเต็มรูปแข็งแรงอยู่หนุ่มนี่มันก็คือสมาตาหั่งทำจิตให้ตั้งมัน่นหาใจออกว่าเราจะจะเราจะตั้งจิตมัน่นก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นนี่แหละแล้วก็ทีนี้ จิตก็ร่าเริงดีเมื่อกี่ท่านอธิบายอยู่ในปัจจัยบทเล่ม9เนี่ยตอนที่ได้ชาด1งชาด2องชาดสาาสีเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ชาแล้วนี่จะต้องปาปิติให้แทรกเข้าไปไม่มีส่วนใดๆของกายที่ขององค์ประชุมที่จะไม่มีปิติแทรกเข้าไปไม่มีส่วนใดๆของทุกทุกส่วนของกายที่สุขจะไม่แทรกเข้าไป เพราะจิตนี่มีปีติมีสุขนะแต่เป็นภาณาปิติเป็นสุขที่สงบไม่ใช่สุขอย่างโลกียะเพราะฉะนั้นจึงทำท่านมารวมเรียกว่าเป็นอภิ ป, ปรโมทยังจิตตังกับจิตตั้งมันเมื่อทาจิตแข็งแรงตั้งมันได้และจิตก็มีสิ่งที่อยู่ในเบิกบานล่าเริงได้อย่างนี้ทีนี้ไอ้ทีเ่เปลืองจิตก็ต่อ หายใจทำเนียอยู่ว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจะเปลื้องจิตหายใจเข้าก็ต้องรู้ว่าเราจะวางอะไรจะเปลื้องอะไรจะปล่อยอะไรอภิปิปปานี้ก็คือวิมมูลจิตตุหรือมุลจิตตุหรือมุนจุติมีโมดเจยังอันนี้อาจาใช้ว่ามีโมดจะยังจิตตังเปลื้องออกปล่อยออกนะ น, ะนัะ่นแหละโมดจะยะหรือมุจ ต, ตุอันเดียวกันนะว่าเราจะเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยง เสร็จแล้วเราเพราะเราไม่ใช่ว่าตัวนั้นท่านพิจารณาตลอดมาที่มันเป็นผลได้ก็เพราะพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ท่านเอาแต่คำว่าความไม่เที่ยงคำเดียวแต่จริงๆมันจะต้องรวมไปถึงความเป็นไม่เที่ยงความเป็นทุกข์อ น, นัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนหมุนเวียนไปทีละมือหายไปมันไม่มีตัวตนให้เลยเช่น ความสุขอยู่ในตัวตนวมันมันสุขเมื่อสัมผัสสัมผัสแล้วก็เกิดรสคุณก็เสพรสขณะที่มันมีปรุงแต่งเสพรสนั้นในขณะที่มีนี่รสเมื่อจี๋จ๋จาเผ็ดก็เผ็ดตอนนีน้เสร็จแล้วมันก็ผ่านไปคุณจะสุขไอ้เผ็ดมันเป็นลักษณะของสัจธรรมชาติเผ็ด่ม็นสัจธรรมชาติเพราะภาษาคุณเล่นกับสิ่งที่มันแมมมันร้อนเนี่เผ็ดเนี่ยภาษาอังกฤษก็ว่า h o t ไอ้เผ็ดเนี่ยโอ้มันมันก็เผ็ดแต่คุณเป็นหลงว่าอร่อยอร่อยโอ้อร่อ ย, ออ ย, อออยนะเรียกว่าอร่อยล้ำจัดล้ำจัดนักอะไรภาคเหนือภาคใต้ก็ร่อยร่อยจังหู้โอ้ไปใหญ่เลยอีสานก็แซ่บอีหลี โอ้โแซบวิลีมันแสบนะมันไม่ใช่แสบนะเพเทอรนะ์แต่คุณสมมุติติดยุดซะแล้วคนจีนสดน้ำร้อนร้อยองศาเฉยเลยเราไปซัดเขามาันาปากพองเลยโอ้มันนั่นแหละมันทนได้เมืนน่อคนเหยียบไฟอะคนเดินทนไฟเหยียบไฟได้ไม่มีไปร้อนเป็นเจ็บอะไร อะไรต่างๆมันก็นั่นเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นอุปทานมันเก่งอะไรขยายไปพูดไปยาวเพราะเมื่อพิจารณาไอ้สีตัวสําคัญนี่แหละพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเพราะการเห็นไตรลักษณ์เห็นความสุขไม่เที่ยงความสุขมันเกิดจากเหตุที่มันทุกข์จากเหตุที่มีตัณหาบําเรอตัณหามันสมใจบําเรอมันก็เลยสุขหลอกแวบนั่นแหละพอสัมผัสหายไป มันก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วแต่คุณยังจําความรู้สึกดีๆอยูนะ่มันเป็นสัญญาเปนความจำไม่มีของจริงของจริงคือของที่จะต้องครบด้วยทวารทั้งหทั้งหกและปัจจุบันกระทบกันอยู่ปัจจุบันหลัดนี่คือความจริงนี้แหละคือวิญญาณจริงว่าใครปฏิบัตินั่งหลับตาแล้วไปนึกเห็นวิญญาณความจําทั้งนั้นความจําไม่ใช่ความจริงความจําไม่ใช่ความจริง มันเป็นสัญญาอันนี้เป็นปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงที่ปรากฏ อ, อยู่รลัดหัดมีกระทบสัมผัสแม้แต่อาการสุกมันก็มีตอนนี้กําลังสัมผัสอยู่ก็คุณก็เมาก็ไมัก็สุกก็มันไปสุกเต็มพอเลิกแล้วพอไม่สัมผัสแล้วไม่มีแล้วไม่มีเหตุปัจจัยนะกินนั้นก็หมดแล้วคืนลงไปหมดแล้วโดยแต่คืนน้าลายตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วแต่ก็ยังจํารสนั้นได้ ก็นึกรถในวันมึกเป็นความจริงโอ้มันขยับไม่ใช่อนุสซเรื่อนั้นคุณติดใจคุณนึกสั่งสมลงไปในจิตใจเป็นอนุสัยผนึกเป็นอุปทานอยู่ในอนุไซเวรอว์เว่ที่โง่ไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราจะต้องได้อันนี้เป็นอันนี้มีอันนี้โอ้โหรถอร่อยขนาดนี้เนี่ยชาติไหนก็ต้องเอาอหรือรถสุขต่างๆนั้นสารพัดที่เป็นโลกรีสุก คุณก็จะยึดคุณยึดก็คือคุณไม่วางรู้ทั้งรู้บางทีว่าอ้มันต้องวางมันง่ายที่ไหนอนุสสยเนี่ยต้องงัดออกมาล้างออกมาต้องล้างมันชั้นชั้นชั้นั้นช้ น, ช น, ชนตั้งแต่ยา ก, กนแล้วก็ขึ้นมาเป็นรูป ร, ราคะล้างอีกชั้นหนึ่งหมดรูป ร, ราคาหรืออรูป ร, ราคะล้างอีกชั้นหนึ่งมันจึงจะเกลี้ยง <Yeah. S 1> อันนี้ไปนั่งหลับตาแล้วมีแต่สัญญาไม่ได้ล้างความจริงเลย <laughs> ไม่เคยได้ล้างความจริงเลย มีแต่ความจำความจำแล้วก็วากันไปเอาความจำมาล้างเล่นไปเล่นไป น, น, นี่ก็แม่อตมาว่าตมาอธิบายถึงถึงนั่นนี่ฟังเข้าใจดีไหมคนทั้งบ้าน <c oughs> เข้าใจไม่เอ่ยถามฝากไปถึงทั้งบ้านเนีนี่ไปกินนาทีละโอ้เมื่อกี้นี่กินนาทีสกซช อ, อ, อ <c oughs> ะ <22 S 2> ยีบอเด้อยีบสองนาทีเดี๋ยวบวกยีบสองนะ <c oughs> นะธรรมาเรื่องเวลานี่ไม่เอาไม่ยอมขัดทุนธรรมาไม่ได้แพงจริงๆอรรมาเวลานี่แพงมาก <c oughs> เอาต่อมาสข้อนี้หนึ่งอันนี้จานุปัตสีตามเห็นความไม่เที่ยงจิตของเราในพิจารณาไตรลักษณ์นี่แหละแต่เมื่อพิจารณาไตรลักษณ์ว่ามันไม่เที่ยงจิตก็ไม่เที่ยงกิเลสก็ไม่เที่ยง สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเราเข้าใจจริงๆดายานปัญญาของเราเนี่ยสมบปัญญาปัญญาอันยิ่งของเรามันเห็นมันเข้าใจมันไปตามมันจับเงามันจับก็บฉันบอกว่าเหมือนฟองคลื่นเหมือนอะไรพระยับแดดเหมือนหยดน้ําอะไรเน่ยท่านพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้สุดนั่นอ่ะนะมันหยวกกล้วยเหมือนอะไรไม่มีแก่นนะนั่นเราก็คว้าไอ้ว่านั่นมายึดว่ามันเป็นแก่นสาร มันไม่ใช่มันมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นเหตุทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นมีเหตุแห่งทุกข์เหตุก็คือตัณหาตัวไปโลงไปยึดหรืออนุสัยตัวนี่แหละนี่แหละเหตุนี่แหละเหตุล้างมันให้หมดกําจัดมันให้หมดคุณกําจัดตัวใดได้กําจัดเหตุตัวใดออกไปหมดได้คุณก็จะไม่เหลือตัวตนอัตตาไม่เหลือตัวตนนั้นตัวตนสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเหตุแห่งทุกข์ก็ตาม ม, ม, มันไปหมดทั้งขยวงเลยมันไปหมดทั้งต้องจำนวนของ อ, อะไรนะไอ้ของไทยรัฐคาร์ลัมนะนะั้นน่ะทั้งพวงเลย <c oughs> ด้วยประการทั้งพว ง, <c oughs> ห, ม ง, วงหมดทั้งยวงเลยหมดทั้งยวงหมดทั้งยวงเลยอานันตามันไปหมดเลยทุกข์ก็หมดสุข ก, ก็หม ด, ส, กกหมดสวรรค์นรกหมดเหตุมันหมดมันตัวมันมันหมด อ น, นัตตาเพราะเราทำนี่เราตามเห็นมันทำได้มันไม่ถึงขั้นดับเหตุเลยดับสนิทเลยมันยังมีเหลืออยู่บ้างก็ตามแต่มันเห็นความจางคลายแล้วิราคะวิราคานุ ป, ปัตซีสีม่อปฏิบัติไปคุณเจิดยานปัญญาเห็นอั น, นิจังแลยโอ้อั น, นิจานุปัตสีโอ้ไม่จะอั น, นิจจะสัญญา การเรียนรู้สัญญากำหนดอ่านเมื่อเกิดสัญญาเมื่อเกิดอนิจจังเมื่อเกิดรู้ทันอนิจจังก็เป็นความพ้นในอนิจจสัญญาพ้นในการไปยึดว่ามันดีมันดีมันจะต้องไม่ปล่อยไม่วางเป็นสุภาก็เห็นเป็นอสุภะสัญญาเพราะอสุภะสัญญากับอนิจจสัญญาสองสัญญาในคุณจะต้องเรียนรู้กาหนดอ่านความเป็นจริงเมื่อมันอสุภา มันไม่เอาแล้วมันอันนี้จะมันเป็นความไม่เที่ยงเห็นกําหนดอ่านไอ้ความชัดอันนี้จะเป็นปัญญาสัญญากําหนดจะมันเกิดปัญญามันก็ปล่อยก็วางมันก็เปลื่องก็ปล่อยได้เมื่อเมื่อมันมันค่อยๆปล่อยมันก็เรียกวิราคะถ้าคุณปล่อยพรวดเลยได้ดับเลยก็เอาสินิโรธเลยด้วยก็มาสาธุน้ พาดชันเงินไปพวดเลยดับเลยอ้าวสาธุใครทําได้ก็อนุอนมนันมันานะเพราะเราตามเห็นหมดความไม่เที่ยงอ น, นิจจานุปัสสิเห็นหมดวิราคานุปัสสีมันเกิดของเรานี่แหละเราเห็นของเราแล้วเราทําได้ของเรานี่แหละนิโรธานุปัสสีเห็นได้อีกคุณก็ทํามันซ้ําปฏินิสคานุปัสสีหมุนซ้อนรอบเชิงซ้อนทําไปอีกทำไปทําไปทําไปทําไปทําไ ป, ไปอนุรักษณาประทาน เรื่อว่าอนเนชาพิสังขารสร้างอนเนชาพิสังขารนี่มันสมบูรณ์แบบให้มันนิจันตุวังสัสตังนั่นแหละหรือทําให้มันจนกระทั่งมันแน่นิ่งเลยว่าเป็นศูนย์อดีตสังสมลงเป็นฐานทุกปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติตา ม, มตามเวทนาร้อยแเวทนา 36, 36 36 36เนี่ยทํา36ปัจจุบันเนี่ยตามหูจมูกลิ้นกายใจ6กถวายกับสุขสุขทุกทุสุขทุ ก, ท ก, ท ก, ทกไม่สุขไม่ทุ ก, ส, ท ก, ทกสามเนี่ยเป็นสิ ทำ18เคหัสิตะเนี่ยแหะเป็นเนคขมะจนเป็นฐานนิพพานคืออุเบกขาจนอุเบกขานี่มันแข็งแรงเป็นสังขารุเปกขามียานรู้ในอุเบกขาของตนว่ามันเยี่ยมแล้วมันปฏิสุทธามันประโยชธาตามันมุตุมันกรรมมยามันประพัทสราเมื่อใดเมื่อใดมันก็ประพัทสราสว่างใสอย่างนั้นจะผ่านการประโยธาตา เข้าไปทํางานกระทบสัมผัสกับโลกธรรมอีกเท่าไหร่ปุทธะโสโลกาธรรมิจิตตังยะสะก็ไม่ฟันไม่ไหวณนะกรรมปติอยู่องั้นทําอย่างงั้พิสูจน์จิตของคุณก็เก่งมุทุปุตธาตุมุทุเก่งไวเร็วคล่องแคล่วเป็นกรรมเป็นกายกายปาคุณยตาเป็นกายปาคุณญตาคล่องแคล่วว่องไวเลยเพราะฉะนั้นจิตของคุณก็ทํา กายกรรมมัญตาได้ดีทำสิ่งนี้ได้สมเหมาะสมควรก็เป็นกรรมมัญญาทำได้อย่างดีทำกรรมทุกอย่างได้อย่างดี ด, ดีงานทำได้กรรมทำได้ทุกกรรมจิตดีจิตคล่องแคล่ววามีชาววนะจิตมีกันเร็วจิตปัญญาก็แวาไวิชับวไวาพลิบไปวารู้ไดเร็วรู้ไดเจโต จะอนุโลมปฏิโลมอย่างไรก็ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นตามบา ร, รมีตามฐานจึงเรียกว่ามุทุธาจิตพละอ่อนมุทุตาอากายยมุทุตาเร็วขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นเป็นกายยมุทุตาเป็นองค์รุมของการจัดการกับจิตจัดการกับจิตของเราจิตของเราก็เป็นมุทุธาทําได้ดีทําได้เร็วขึ้นมันเป็นคุณสมบัติที่คุณฝึกแล้วมันจะได้แบบนี้ไงไม่ใช่ภาษาเท่านั้น วพาะะนันปฏิสุทธาประโยชา์ตามาุท ธ, ธุกรรมัญาปปัศราเนี่ยองธรรมหได้ธรรมวิพธรรมธรรมวิพังเอ้ยไม่ใช่ธาตวิพังธาตวิพังกระสูตร อ, องธรรมหของอุเบคาธรรมห้าของอุเบคาเนี่ยอยู่ในธาตวิพังกระสูตรพระแต่บิณฑรเล่มอะไรไม่รู้แต่มาก็จำไม่แม่นอันนี้ฮะเล่มสิ่เนี่ย เ้ออ๋อนั่นน่ะทาวพิพังอิสูอ๋อน่นน่ะเขาขึ้นให้แม้ขอบคุณผู้ที่อินเซิร์เนี่ยเก่งนะผู้อินเซิร์เนี่ยก็ช่วยอาตมาอยู่อย่างเก่งเลยไม่ได้ตกลงกันนะกับผู้อินเซิร์เนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยท่านตามให้ทันกันอะไรกันคนท่านนีผู้ที่ทําอาตมาทํางานอาตมานี่ต้องเก่งไม่เก่งไม่ฉับไปไม่ทันเพราะอาตมาไม่เคยตกลงกันทุกที ไม่มีโปรดิวเซอร์ไม่มีผู้ร่วมทำงานไม่เคยวางสคริปต์ไม่เคยทำอะไรนอกเรียกว่าแอดพลิปตะพื้นแอดพลิปไม่มีการวางแผนไว้ก่อนทำตามปัจจุบันนะทาได้หมดเลยนะนี่คือสภาพที่อาตมาพยายามอธิบายเมื่อทำอย่างสมบูรณ์แบบอย่างนีนน้จนถึง อ, องค์ธรรมของอานาปานสติติ16นี่ สมบูรณ์แบบถึงขั้นสุดท้ายปฏินิสคานุปัสสีจบเป็นอันที่16หกเลยนี่สำเนียงอยู่ว่าเราจะเป็นผู้พิจารณาตามท่านแปลวความสละคืนกิเลสนะมันสลัดมันสลัดมันไม่ใช่สละคืนมันทบทวนธรรมปฏินิสคะทวนปฏิเ น, น, น, นทวนธรรมแล้วทำอีกทำซ้ๆๆจนกระทั่งมันไม่มีอีกแล้วนิสค้าแล้วว่าไม่มีสวรรค์ ไม่มีแล้วสวรรค์สวรรค์ชั้นของโลกุตระก็ไม่เหลือสวรรค์โลกียะไม่ต้องพูดเลยแม้จะเป็นอุปกิเลสที่เป็นสุขเป็นปิติเป็นสวรรค์โลกียะไอ้โลกุตระก็ไม่เหลือหมดสุขหมดทุกข์เ <Yeah. S 2> รียบร้อยหมดเลยนะเรียกว่าปฏินิสักขะไม่มีสวรรค์อ่าสัก ข, ขะแปลว่าสวรรค์นี่แปลว่าไม่ปฏินิสักขะทวนทําให้อย่างที่ไม่มีสวรรค์เนี่ยจนสมบูรณ์ นะจนเป็นนิจังทูวังสัตตังวิบุณนานามัตธมังสังยังนี่แหลนะนี่คืออาณาปานาสติที่อาตมาเองอาตมาเข้าใจปฏิบัติอยู่การปฏิบัติทั้งหลายนั่นเรียกว่าสติปัฏฐานสีตั้งแต่กายประชุมเป็นกายเริ่มต้นรู้กายคือส ก, กายะอ่านอะ่านะ ส ก, กายานี่เป็นตัวต้นเลยไม่ ง, งั้นคุณจะเข้าสู่กายจะเป็นตัวโลกุตระตัวที่หนึ่งอ่าลูกโลกุตระตัวที่หนึ่งคือกายในกายรู้จักจกายในกายโพธิปกักขีธรรมสามสิบเนี่ยกายเป็นตัวที่1นงจนกระทั่งทุกอุเบกขาเป็นตัวสุดท้ายของอ่าขอมรรองแปดที่เป็นฌาน ที่เป็นฌานและฌานสุดท้ายคือฌานที่4อุเบกขาฌานที่4ของสมาธิสมาธิของฌานของสมาสมาธิมันจะสมาธิสมานะสมาธิเนะี่ยมันเป็นองค์ที่8ของมรรคองค์8และสมาธิสุดท้ายสมาธิสมบูรณ์มันก็คืออุเบกขาฐนะานนิพพานนะ37ตัวนี่คือโลกุตระสมสิบเจ็ด เพระะั้คุณเริ่มรู้ส ก, กายะรู้จากองค์ประชุมตั้งแต่นอกเบื้องต้นก่อนและคุณก็พิจารณากายในกายพิจารณาคือไม่ใช่เป็นพิจารณามันเฉยเฉยไม่จะคิดพิจารณาขบคิดไม่ใช่พิจารณาก็คือโยนิโสมนสิการคือทําใจในใจนี้ให้ได้เห็นมันแล้วก็พิจารณามันเห็นเข้าใจอ๋ออันนี้อนนีจางอันนี้คือวิราคะอันนี้คือนิโรธ นี่คือพิจารณาความเป็นจริงตามความเป็นจริงคุณมณสิการคุณทำใจในใจของคุณได้แล้วคุณทำให้มันลดกิเลสได้ตอนแรกคุณทำเกิดญาณเป็นเห็นมันไม่เที่ยงแล้วคุณก็พลังงานของความเห็นไม่เที่ยงเนี่ยมันสูงยงกระทั้งคุณมันสามารถที่จะละเป็นสุภะจากแต่ก่อนี่เป็นแต่ก่อนเป็นสุภะก็เป็นอสุภะได้เพราะเกิดรู้อนิจจัง โดยการสัญญาอันนี้จะสัญญากะอสุปะสัญญาสองสัญญานี้แหละทํางานทํางานอยู่นี่ในอนาปานสติก็มีสองสัญญานี้อนาปานสติก็มีสองสัญญานี้ทํางานการกําหนดรู้กําหนดจงกระตั้งโอ้สาบซึ่งนอันนิ้จังจนมันเป็นอสุภะจนมันละมันวางมันปล่อยก็เป็นสุพันเตวะอธิมุตโตโหติ ก็เกิดสุภะนี่ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆอธิมุตโตคือโนมไปไปหานิพพานอธิมุตโตอธิมุตอธิวิมุตตินี่แหละอธิมุตโตมันก็โนมไปหานิพพานนี่แหละเกิดโหติสุ ป, ปันเตวะอธิมุตโตโหติคือความมีความเกิดความเป็นเป็นอะไรเข้าไปเป็นจะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ไปเรื่อยๆ้นมไปจกนกระทั่งสุดอรหันต์เป็นสุดท้ายเลยนะ เปที่สุนแห่งที่สุดสะอะไรซัมโพธิปรายณนะไปถึงที่สุดเลยอย่างนี้เป็นต้น น, นี่คือสภาพจริงที่เดินทางการเดินทางของการปฏิบัติอาณาปานิสติเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้วข อ, อสรุปความเข้าไปบ้างตอนนี้ว่าสติปัฏฐานสี่นั้นพิจารณากายองค์ประชุมคำว่ากายนี่คือจิตแหละ กายในกายนกายนอกก็เกี่ยวข้องกับกระทบสัมผัสเนี่ยกระทบปรีหัวโตโต โ, โอ้โหอย่างได้อย่างได้นี่กิเลสขึ้นละนะไปยำหัวปรีเนี่ยโอ้โหน่ามือปรุงเจนเจ็ดขาดมันใหญ่กว่าหัวอะมาหัวปีมันใหญ่จริงๆนะหัวปรีนะค อ, อาจารย์กำมลนก็ส่งมาวันนี้ตามมาโชว์ พอเราอย่างเงี้ยจของเรานจัดง่ายๆจาดของหน้ากินหน้า ห, หน้นาอะไรให้ยั่ว ก, กิเลสคนไปชัง น, นันเนี่ยน <c oughs> ะฮะหกหปีนะเพราะงั้นเราสามารถที่จะพิจารณาตั้งแต่รู้จักกายสักแปลว่าตัวเราตนเอง ส, สักกา ย, ยากก็คือรู้องค์ประชุมของจิต ในจิตของเรานี่แหละหรือของสิ่งที่สัมผัสข้างนอกตั้งแต่ภาษาทรูปกับโครจรรูปสัมผัสกันเกิดภาวะของวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นตัวที่จะต้องปรับปรุงคืออิทธิภาวะหรืออิทธินิสัยจนกระทั่งให้มันเป็นปุริสินิสัยให้ได้ลดลงไปนะก็กํากหนดได้แล้ววันนี้แล็จับได้แล้วจิตคือตัวนี้อยู่ตรงนี้หัายรูปก็รู้ชีวิตของมันก็เป็นชีวิตของเพศหญิง หรือชีวิตของเพศชายเป็นภาษาไทยเพศหญิงต้องทําให้เป็นชายให้ได้เป็นเอกกระรุษให้ได้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกบุรุษยังไม่สมบูรณ์นะเพราะงั้นก็รู้จักความเป็นชีวิตของความเป็นสัตว์สัตว์นรกเป็นต้นหรือสัตว์เทวดาเป็นต้นทาให้เป็นสัตว์พรมแม่สัตว์พรมก็จะไปยึดว่าพรมนั้นเป็นสิ่งเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายคอยขยายความคำเป็นสัตว์สามสัตว์นั้น เพราะเราจะรู้กายเหล่านี้ได้แล้วเราก็ปฏิบัติรู้จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของกายเนี่ยก็จะเห็นกายอย่างหนึง่งผู้ที่มีความรู้เรื่องกายสมาธิก็จะเห็นกายอีกอย่างหนึง่งกายอย่างมิจฉาทิฐิในสัตววาด้าว ผู้ที่มีกายต่างกันสัญญาต่างกันในข้อที่1นึงสัตวะเกแต่เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติในวิญญาณทิฏฐิวิญญาณทิฏฐิ7วิญญาณทิฏฐิ7ก็อธิบาย1234567ม้เหมือนกันคำทั้ง7ข้อนี่เหมือนกันกับ7ข้อใน9แต่ของสัตวะนี่มีเพิ่มเป็น9เพราะเขามีอสัญญีสัตย์ กับเนวัชยานาสัญญาเนวัชย า, า, านาสัญญายตนาสัตว์สองอันนี้ก็เลยเป็น9ก้าสองอันนี้ศาสนาพุทธไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไปกล้าไปเป็นแล้วในจบเลยสองอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิจะเห็นกายของเนวัช ญ, ญานาสัญญายตนาเนี่ยเป็นอันเดียวกันนั่นแหละกับสัตวอีสัตว์แต่ไม่รู้ไม่เข้าใจ เพราะบางคนก็ไปดับตั้งแต่ฌานที่สี่พอฌานสี่ปั๊บก็ดับพอบางคนไม่รู้ก็ธรทำเป็นพบเป็นชาติของอรูปฌานอีกเป็นอากาศานันจายตะนะภพเป็นวิญญาณนันจายตะนะภพเป็นอกิจัญญาตนะภพเป็นวิญญาณนันจายตะนะภพก็ไปจบที่วิญญาณนันจายตะนะภพเพราะว่านั่งสมาธิหลับตานี่ไม่มีสัญญาเวทียตนิโรธ สัญญาเวทที่ยึดนิโรธเป็นของศาสนาพุทธศาสนาเดียวแล้วสัญญาเวทที่จะนีเวททยึดนิโรธไม่ใช่สมาบัติของพวกนั่งหลับตาฤาสีอันนั้นเป็นสุพันเตวะมไม่ใช่เป็นสุภกินนาหะเป็นสุภกินนาหะพรมเป็นพวกที่ไปได้ความดํามืดดับนิโรธเป็นดํามืดสุภกินนาหะแปลว่าดำ ไปได้ความดํามืดนั้นเป็นสุภาพเป็นของที่น่าได้พึงได้สุภาพเป็นที่น่าพึงใจเป็นน่าพึงได้เขาก็ไปได้อันนั้นแล้วเขาก็นึกว่าเขาได้แต่เขาไปได้ไอะไรที่ดามืดแต่ของพุทธเจ้านั้นไม่ดําไม่มืดสว่างสวัยประพัดสอนคนละเรื่องกันแต่ประพัดสอนอย่างรู้ก็ไม่ใช่อภัสราพรมอีกนะไม่ใช่อภัสราพรมที่เป็นอัตตาอีก ที่เป็นภพเป็นชาติอย่างนี้เป็นต้นเพราะในสภาวะธรรมที่อาตมาอธิบายไปเหล่านี้เนี่ยมันไม่ง่ายที่ผู้ที่ไม่มีสภาวะจะเข้าใจตัวจริงสภาวะจริงขออไปอาตมาที่พูดเนี่ยอาตมาอธิบายตามความเป็นจริงที่อาตมาเป็นอาตมามีนะข้อไปที่อาตมาต้องอวดอุตตริมนุสธรรมกันอย่างตรงๆอย่างนีนะ้เพราะว่ามัน มันอธิบายไม่ได้อัตมาว่าคนไม่มีเนี่ยอธิบายไม่ถูกง่ายๆนะนอกจากเดาแม้คุณเองคุณฟังอัตมาเข้าใจแล้วคุณจะเอาอธิบายเนี่ยบางทีลําบากเหมือน น, นะยังไงมันจะพยัญชนะกับสภาวะมันจะตรงไอ้ที่อธิบายว่ามันไม่มีสภาวะมันก็จะพยายามเอาความหมายของที่รู้ที่เราพอรู้ได้เนี่ย อธิบายเดี๋ยวก็สับสนหรือแม้แต่อธิบายก็ยังไม่ค่อยง่ายเมื่อมันซับซ้อนม า, ม, ามากมากมากขึ้นจะไหมคนที่ยังไม่มีเนี่ยอธิบายยากแต่คนที่มีแล้วเนี่ยจะไปยิไปอธิบายได้ง่ายขึ้นเพรา ะ, <ม>ะงั้นผู้ที่เข้าใจกายรู้จักกายในสัตตวาด์ก็ดีวิญญาณทิติเจก็ดีเพราะฉะนั้น วันนี้คงอธิบายถึง7จ็ดปฏิบัติในปฏิบัติใน7แต่ต้องเข้าใจให้ได้เป็นสมาธิก่อนว่าถ้าเป็นอสัญญีก็เป็นเนวัตสัญญาอสัญญาเจตนสัตว์เนี่ย ม, มันเป็นเรื่องดับจิตนิโรธมืดนิโรธ ด, ดาอันนี้ไม่ใช่ยังพูดอะไรไปตรงอยู่ตรงนี้จมเลยนะั่นคือพวกคนละอย่างนี่พวกมิชาทิฏิเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาจะได้ความเป็นสัตว์อย่างนั้นส่วนผู้ที่ปฏิบัติลืมตาวิญ ญ, ญาณทิติต้องปฏิบัติในขณะที่มีวิญ ญ, ญาณ ตากระทบรูปมีวิญญาณหูกระทบเสียงมีวิญญาณมีวิญญาณรู้อยู่ตั้งอยู่เกิดอยู่เห็นระดับนี่แล้วก็มาอธิบายแล้วก็มาเรียนรู้ในเวทนาสัญญาสังขารแตกเวทนาสัญญาสังขารเป็นเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการแล้วก็ปฏิบัติในนี้ให้หมดมานสิการให้ชัดเจนให้หมดคุณก็จะสามารถรู้จักกายทั้งเจแม้ที่สุด เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนานั้นเป็นอายตนาสุดท้ายกับสัญญาเวทยิตนิโรธของศาสนาพุทธเมื่อสมาธิทีแล้วเนวัตสัญญานาสัญญายตนาธมามิถฐิแล้วนะเป็นเป็นความรู้เป็นอายตนาที่ปฏิบัติสุดท้ายเท่านั้นเองแล้วก็อาศัยสองอายตนานี้ทำงานเรียกว่ามนายตนากทมายตนะเป็นอายตนะสอง ในชีวิตของพระอาหารหันต์อาศัยอา ย, อายตนะนี้อาศัยอัตตนี้เป็นอรหันตตาอาศัยอายตนะนี้เป็นอายตนะทํางานสักแต่ว่าอาศัยอายตนะจะเกิดเมื่อมีการชองอย่างสัมพันธ์กันขึ้นมาตั้งแต่นอกจนกระทั่งถึงในถึ ง, ถงมร า, ายตนะกฐมายตนะนี้ถป็ต้นนะอันนี้นแนวลึกของความเป็นกาย ที่จะต้องรู้ความเป็นกายมาตั้งแต่สักกายะรู้จักกายในกายจนกระทั่งต้องปฏิบัติสัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายจนกระทั่งดับกายได้หมดในกายเป็นวิญญาณทีตีเจ็ดหรือความเป็นสัตว์เก้าสัตตาวาสเก้าจนสิ้นความเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยไม่เหลือความเป็นสัตว์พลสังโยตสิบหมดความเป็นสัตว์ สงยชนนี่คือการผูกสัตว์ไว้ไม่ผูกแล้วตอนนี้หมดแล้วปล่อยหมดแล้วปล่อยสัตว์หมดแล้วฮะไม่มีคอกสัตว์ล<ป>ะนะมันไม่ไป <c oughs> <c oughs> ไปยังไงมันก็ไม่ไปไปยังไงมันก็กลับมาเหมือนเก่า <c oughs> อ่า <c oughs> ปฏิบัติอย่างสมาธิิมันก็จะไป <c oughs> มันก็จะหมดเป็นจช่อะไรได้นะนี่คือสภาพจริง อัตมากำลังเขียนอยู่ในเราคิดอะไรถ้าเผอว่าอ่านเราคิดอะไรนะในคอลัมน์เปิดยุบบุญนิยมนยกําลังเขียนอยู่ตอนนี้ก็อธิบายถึงตรงนี้อธิบายที่อเอามาพูดวันนี้แต่ละเอียดแต่ไม่เห ม, ม, มือนกันอัตมาเรียบเรียงเขียนการที่พูดนี่ไม่เหมือนกันไอ้พูดนี่แต่ในเนื้อหาเหมือนกันหมดแต่พยัญชนะพละความไม่เหมือนกันเท่นั้นเองก็ตามอา่านดูนะเราคิดอะไรแต่ถ้าเผอว่า ไม่อ่านก็ฟังตามฟังอาตมาอธิบายอยู่นะก็สรุปแล้ววันนี้สรุปก่อนเดี๋ยวจะไปตอบประเด็นนะไอ้อาตมาบอกะไม่ได้บอกเลยว่าส่งประเด็นมานี่ทำไมมีคนรู้ส่งประเด็นมาเนี่ยอ๋ อ, อขึ้นจอให้คนฉลาดเห็นขึ้นจอก็รู้เลยว่าในส่งประเด็นมาได้อาตมาว่าจะบอกสักตอนที่จะพักตนนี้แล้วก็จะบอกตอนนี้ มันจะเกินต้นต้นเรายังไม่บอกเพราะยังไม่รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเลยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรใช้เบอร์อะไรเมื่อวานนี้อยู่ที่ปทุมสุโก็ใช้เบอร์โทรศัพท์80อะไร850อะไรอะอ๋อนั่นมีเบอร์เดียวเหรอฮะโอ้โหสาเบอร์น่ะอ๋อบมีนซื้อบอกว่าเบอร์ส่งประเด็นน่ะเบอร์ส่งประเด็น เอาละอัตมาอ่านไม่ไหวมันไกลมันไกลจออ่านไม่ออก <80 S 1> อ่อ่ะ่ะยังหนุ่ม81อยังแจว๋วนะเอาละอัตมาว่าดูจากจอกแล้วกันอ่าประเด็นเอามาแล้วเขาเอาเบอร์มาให้แล้ว0892660 5 7 4เอ่านี่เบอร์เบอร์หนึ่งอีกเบอร์หนึ่ง0 8 2 4 4 3 0 2 7 1องเ่านี่เบอร์เอาทวนอีกทีนึง่ง0 8 9 2 6 6, 6 0 5 7 4อีา่าอีกเบอร์หนึ่งก็0 8 2 4 4 3 0 2 7 1นอ่านี่คือ2องเบอร์ที่ส่ง อ่าตอนนี้ก็ส่งทยอยยวนมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเอ้าเอาละอัตมาก็จะตอบประเด็นไปเลยส่งมาแล้วด้วยไม่ได้บอกเกินไม่ก่อนแต่ก็แม่ผู้รู้ก็ส่งขึ้นบนจอเนาะก่อนอัตมาที่จะพูดเลยไม่เป็นไรดีน่ช่วยเหลือขอบคุณอาตอบประเด็นทีนี้จากคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายจีนดิฉันได้ดูรายการสด ที่ปกครูจัดเมื่อเย็นวันพุธก็วันเนี้ยเพราวันนี้วันคารอาพุทธที่12บสองสิบิการอยู่ที่บรรดาทมีการพูดถึงเรือเอี้ยมจุนว่าเป็นเรือบรรทุกข้าวดิฉนันขออนุญาตแชร์ความรู้เรื่องนี้ไว้ให้ปะครูพิจารณาด้วยค่ะด้วยนะคะคือเอี้ยมนั่นแปลว่าเกลือจุนแปลว่าเรือภาษาตจิวภาษาจีนแต้จิว แรกแกก็มีการสร้างเรือนี้ขึ้นมาก็คงจน่าจะเป็นเรือบรรทุกเกลือก่อนค่ะส่วนเกียร์แลลว่าเดินทํางานปฏิบัติงานเกียร์ปฏิบัติงานประมาณนี้แหะค่ะเพราะฉะนั้นเกียร์เกียร์หรือเกียร์เกียร์เอี่ยมจุงรงมาเพียนมาเป็นจุนเกียร์เอี่ยมจุ้งเพียนมาเป็นจุนก็ประมาณว่าเดินหรือปฏิบัติในเรือเกลือ เกียร์เอยมจุนก็คือหมายถึงใต้กลงเรือดิฉันว่าประมาณนี้ค่ะอ้าวนี่อธิบายถึงเรือเอยมจุนให้ฟังก็ขอบคุณนะแชร์ความรู้มานี่ขอบคุณอัตมาไม่มีความรู้ในเรือ่องเรือเอยมจุนอะไรนี่หรอกน่าไม่มีหรือว่าในภาษาไทยเราจะเรียกเรือฉลอมออเกียม อไเค็มเกี่ยมเก็มเมอะเค็มเ็มอ่ะอ้าวเก็มไเงี้ยเก็มไช่เงี้ยอ่าก็เรียกว่าก็เรียกว่าผักเข็มนคนปุณปุญยิษาจากชุมพรที่ฉันเคยบวชชีและรักษาศีลห้ามาเป็นสิบปี ตอนแรกๆ ก, ก็ปฏิบัติแบบนั่งสมาธิหลับตาแต่ต่อมาก็จิตมันเปลี่ยนไปเวลามีอะไรเข้ามากระทบมันจะกลายเป็นเป็นสภาพเป็นแบบพิจารณาพิจารณาพิจารณาเออมันทําการพิจารณาของมันเองในทุกสถานการณ์เป็นอัตโนมัติมีตัวระวังตัวยับยั้งกิเลสของมันเองเป็นปกติแบบที่หลวงปู่ ก, กาลังอธิบายอยู่นี่เป๊ะๆ เ, เลย ดิฉันคงไม่ได้วิปลาสใช่ไหมคะไม่วิปลาสหรอกน่าดีอธิบายมานะคุณบอกโจทย์มาเนี่ยอัตมาเข้าใจโอ้อนุโมทนาสาธุมีคงดีไม่วิปลาสนะจะไปเล่าเพื่อถามอาการจิตอย่างนี้กับใครอื่นก็ไม่ได้จะไปเล่าไปถามอาการจิตอย่างนี้กับใครอื่นก็ไม่ได้เพราะเขาทำไมเหม่อไ อ, อทไม่เหมือนเราเพราะเขาทาไม่เหมือนเราสมาธิหนะไม่ต้องไปนั่งรอ นั่นแน่สมาชินี่ไม่ต้องไปนั่งรอกสภาพจิตเขาดิฉันทุกวันนี้ไม่สุขไม่ทุกข์ความรักที่มีให้แม่ให้คนอื่นหรือสัตว์ต่างๆจะเสมอกันคือมองแม่แล้วก็เกิดสำนึกรับผิดชอบที่มีต่อแม่ไม่ใช่แบบรักแม่หลือเกินมันไม่ฟูมฟายมันไม่สุขไม่ทุกข์เวลาเห็นเงินหลักล้านกับหลักหมืน่นก็กลางกลาง ความรู้สึกเสมอกันไม่ตื่นเต้นมากหรือน้อยอยากเรียนถามว่าหลวงปู่ว่าอยากเรียนถามหลวงปู่ว่าอาการจิตแบบนี้มันคืออะไรคะคุณมีบา ร, รมีนะตามที่พูดมานี่ตรงตามที่พูดมาเนี่คุณอ่านได้ชัดเจนแต่คุณพูดมาในข้อก็ต้องชัดเจนของคุณน่ะละอ่าอ่ามันก็จะไปของคุณอ่าคุณอธิบายมาอย่างนี้เป็นของดีเป็นของเดิมที่คุณมีมาแต่เดิมอ่ แน่นอนธรรมาเห <g physic> <c oughs> ็นใจว่าคุณไปพูดกับใครไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ไม่ฟังพูดกันไม่รู้นะพอจะพูดกับใครก็ะพัวไม่ได้นี่ธรรมาเห็นใจนะพูดอะไรกับใครไม่ได้เพราะเขาไม่ทำไม่เหมือนเรานะแล้วคุณจะไปบอกโอ้ยสมาธิไม่ต้องนั่งรอกเนี่โอ้ยคุณไปพูดกับใครเขาก็ไม่ฟังคนละจะบ้าอะไรสมาธิไม่นั่งนี่ไปเอามาจากไหนสมาธิเพราะสมาธิเขารู้เดียวเงได้จากพนักงานนั่งเอาไม่นั่งเอาอะไรไม่ได้สมาธิมาจากไหน อันนี้แหละอัตอมาส ง, า ส, งาสารสงสารในศาสนาพุทธมันเพี้ยนไปไกลถึงปานชนีนอัตอมาก็จะต้องฟื้นอันนี้ขึ้นมาขอพูดอีกวันนี้นวันก่อนกอก็พูดมาบ้างแล้วว่าสมาธิสองอย่างสมาธิออาาธที่นั่งหลับตาแล้วก็ได้สมาธินะขอภัยน้องเอาตัวเองเป็นตัวพูดมันก็อวดตัวนะ่ะชัด อาตมาทําได้และอาตมาก็ทํามันหนักนั่งมาจนก็ไม่ถึงก้นเน่าเหมือนอย่างที่ท่านพากันนั่งจนท่านพูดกันน่ะอาจารย์ท่านพูดถ้าว่านั่งจนก้นเน่าอะไรเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็นั่งนั่งมาหลายปีไม่ใช่ไม่นั่งต้อแต่เล่นเซสซาเขานั่งเล่นเซสซ า, สาปุ่มแปปีก็ต้องนั่งสมาธิเพราะว่าเราเข้าใจอย่างนั้นน่ะจะต้องไปเล่นกับผีกับเทวดากับพระพรหมอะไรโอ้สารพัด ท, ที่จะจับผีจับเทวดา ไปอยู่กับพระพรหมนู่สนุกสนานกันอยู่ตางนั้นน่ะนะถ้าจับไข่จับไล่ผีฆ่าผีอ่า ไ, ไล่ขนาดไล่พระพรหมเล็กกระึงไล่เลยอย่างที่อาตมาก็เคยเล่าสู่ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องของอีกแบบหนึ่งอาตมาก็เล่นมาสมาธิแบบที่นั่งแม้ที่สุดอาตมาเลิกเล่นวิชาไสยศาสตร์ได้ราชานแล้วก็ตาม น่าร่าภาพเก่าๆมายืนยันว่าในสมัยโน้นต้องแต่งชุดขาวต้องมีเม็ดประคำอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้อยู่เมืองนนอันนี้ตั้งสารพระภูมิเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะสารพระภูมิที่เมืองนนเนี่ยอาตมาจําชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเชิญเชิญวิญญาณนี้ชื่ออะไรก็มีชื่อมาเสร็จวิญญาณนี้แล้วก็เชิญขึ้นศารใหญ่สารใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะเขายังอยู่แล้วคนขึ้นเยอะ มันมีมันก็หลายปีเต็มทีแล้วก็30ปีมนแล้วอ่ะสากว่า40 50เกือบ้ปีละนะอันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรอะไรละอันนี้ในในเขาไปสามพระภูมิเขาไป ม, มีอะไรบ้างอ๋อเชิญเจ้าเชิญพระเชิญพระภูมิมาเข้ามามาอยู่มาอยู่ศาลเชิญพระภูมิขึข้นศาลเชิญพระภูมิ ข, ขึ้น โอเล่นมาทั้งนั้นอาตมาเล่นมานะหรือไม่ได้เป็นไยศาสตร์อย่างนี้หรอกนั่งสมาธิอาตมาก้นนั่งมาจัดนั่งมาจนกระทั่งเนซัตชิกันตั้งคืนกับอ่าหน้าทงนั้นเป็นเดินเดินก็มาทั้งนั้นนะนั่งมาเนสัตชิทั้งกลางวันก็นั่งกลางคืนก็นั่งอย่างกลางคืนเนสัตชิก็นั่งทั้งคืนนะนั่งมาจนกระทั่งเดินจนกลากวันเดิน จนกระตั้งเดินมาเดินมามากมายทํามาทั้งนั้นไอ้อย่างที่เขาทากันไม่ใช่ไม่ทําอาตมานั่งสมาธิก็เล่าไปแล้ววะไอ้ที่ทนข้างนอกนี่ทนได้จนกระตั้งไอ้ยุงทะเลเนี่ยมันมากันเป็นก้อนมันกัดมันกัดแตมันลุมกัดเป็นหมดเราเรานั่งนิ่งแล้วเราก็ขยับมันก็กินเราก็ดับจิตเข้าไปข้างในโอ้โหมันกินจนกระตั้งเรานานเนี่ยก็ออกมา ออกมาโอ้โหมันลายมันเลยพองมันขึ้นตุ่มมันเลยคันนั่งได้ทวันหรือสองวันเนี่ยยอมให้มันกินได้ไม่เอาอีกแล้วไม่ไหวแล้วมันทนไม่ได้มันมันพิษคงถุงนะอ่าพิษตัการมันคันมันโอ้โหไม่ดีนะแต่รู้แล้วล่ะว่าเราไม่มีปัญหาเรื่งข้างนอกเราทิ้งนอกได้เลยทิ้งข้างนอกได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือนั่งยงกระทั่งข้อภัยนะอันนี้เนี่ยอาตมา อาตมาไม่รู้ว่าอาตมานั่งจนกระทั่งเหาะได้หรือเปล่ารอได้หรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าไม่รู้นี่คืออาตมานั่งเข้าไปแล้วก็กําหนดจิตว่าเออเหาะได้ก็เหาะลอยอย่างนี้นึกอยู่เลยว่าเออเราจะเอาอะไรไปบอไปไปทิ้งไปบนข้างฝาแล้วถ้ามันลอยได้เราจะต้องไปแล้วเราจะกําหนดยังไงไปหยิบมันว่าอ่าอ่าแล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็จะยืนยันว่าเออเราเหาะขึ้นไปได้ตรงนั้นแล้วเราก็ไปหยิบมันนั่นมาก็ไม่ได้ทํานึกแต่เตนึก แต่ว่าอัตถลอยก็ลอยได้ก็ลอยดูอัตมาก็นั่งจงกระทั่งในขณะนั่งนั่งอยู่ตรงนี้แต่เวลาออกจากนั่งมันไปอยู่อีกที่หนึง่งอัตมาก็ว่าเอแล้วมันยังไงก็นั่งอยู่ตรงนี้เข้าเวลาออกมันก็ไปนั่งอยู่อีกที่หนึง่งอย่างนี้เป็นต้นนี่อัตมาเล่าจริงจนะคืออัตมามันนึกไม่ออกว่ามันแต่รู้เอ็นเหลืองเบาตัวเบาอะไรมันรู้ทั้งนั้นอนะ่ะมันรู้มันมีทั้งนั้นอนะ่ะ อย่างนี้เป็นตัวอัตมาก็ทำทุกอย่างเล่นมาทุกอย่างก็นั่งคนเดียวไม่มีใครรู้ใครเห็นด้วยนะก็ทำทั้งวันทั้งคืนก็นั่งกันไปสมัยที่นั่งนี่คือ น, นั่งสมาธิทั้งหลับตาอัตมาไม่ใช่ไม่รู้รู้ทุกอย่างนเะ่นเล่ น, ล น, ลนวิธีนั้นวิธีนี้อัตมาก็ฟังมาเข้าใจกันทั้งนั้นะเพราะว่าเราเล่นมันก็ต้องมีสภาวะก็รู้กันทีนี้เรื่องของพุทธทีนี้เป็นสมาธิลืมตา ดังที่คุณอุญญิสารามานมันก็จะลืมตามันก็จะรู้มันก็จะเข้าใจมันก็จะพิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นสภาพพิจารณากระทบอะไรก็พิจารณาคําว่าพิจารณาไม่ใช่คิดพิจารณาคืออ่านให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นมันสัมผัสแล้วมันเกิดสุขมันเกิดทุกข์วิธีทําใจในใจวิธีปฏิบัติธรรมก็ตามไปหาเหตุมัน วิธีของท่านอุบายโโกศของท่านก็คืออย่าให้มันเนี่ยชอบพบปรีเนี่ยอย่าไปแตะอย่าไปเอาใจมันก็จะอยากก็จับอ่านสิใจมันอยากได้เนี่ยไม่เอาเพราะเราตั้งสินว่าเราจะเว้นเราจะขาดเราจะไม้ตากระทบหูได้ยินมันก็อยากได้ตามตากระทบของจริงหูได้ยินจบูกได้กลิ่นลิ้นได้รสอยู่ไอ้ลิ้นได้รสนี่ลำบาก พิจารณาไอ้โพชเนมนตะยุตานี่แหละโอ้โหอ่ออานอาการกิเลสมันต้องแตะฮะมันจะตัดขาดมาเว้นขาดไม่กินมันก็ไม่ได้ไอ้กินมันก็ต้องแตะลิ้นไอ้แตะมันก็ต้องเกิดแล้วรสอร่อยรสอะไรขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โห อ, อ, อันนี้ยากกว่าเพราะไอ้เว้นขาดตาไม่ต้องไปดูหูไม่ต้องไปฟังจมูกไม่ต้องไปรับกลิ่นอะอย่างนี้มันง่ายสัมผัสถุดเสียทีไม่ต้องไปกระทบได้ แต่ลิ้นนี่ไม่ได้ละคุณจะต้องกินข้าวอ่ะคุณจะต้องกิน อ, า, อาหารกินอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติกินนี่แหละมัตตัญญาตาจะัตตสงหรือโภชเนมัตตัญญาตานี่แหละปฏิบัติเลือกอาหารเนี่ยรับรองเป็นอราหารันเป็นการปฏิบัติไม่ผิดอปันกัปฏติปทา ตำรวจสิตามฐานนะมีกรรมฐานศี้นหน้าสิน 8, ส้นแปดสิอะไรก็ว่าไปหรืยสี้โอวาทปาติโมกขว่าไปตามลําดับแล้วก็อ่านกิเลสแล้วก็พิจารณาปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาอ่านเห็นอ๋อเราทําได้จงกระทำพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละจงกระทำเป็นทุกตัวอันตาและมันก็ลดกิเลสไปเวลาคะจงกระทำมันดับก็ทํามันเอออย่างนี้ทํานี้ดับได้กระทำซ้ำกระดูก็เห็นพิจารณาความจริงเออทาได้ดีทําได้แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น ก็จะรู้อินทรพละของมันอินทรพละของผลที่เราทำได้ความสามารถของเราทำได้อย่างนี้เป็นต้นก็ทำไปลืมตากระทบสัมผัสตั้งแต่ถ้าสมาชีวะหรือมิจฉาชีวะตั้งแต่กุหนารับปนามันทุจริตขนาดหยาบกุหนาโกงทีละหล้านหแสนล้านอะไรเงี้ยเลิกเถอะเจ้าปะคุณเลยบาปมันมีจริง ชําระกิเลสก็ต้องมาเรียนรู้เพื่จะมีบุญได้จริงบาปมีจริงบุญมีจริงถ้าปฏิบัติได้เ<ม>พราะฉะนผู้ที่รู้แล้วว่าอาชีพยอย่างนี้ชั่วเลวต่ําถ้ารุษจริงแล้วคุณก็เลิกมาหลอกลวงมาเล่นเล่เล่นอะไรใช้คารมอ ย, าอย่างนี้อย่างพวกนักการเมืองนัการเมืองเนี่ยใช้คารมตรงนั้นลับปนาแล้วการเมืองตลบตะแลง โกหปริ่นป้อนใช้เละใช้เหลี่ยมใช้โบหารเก่งอยู่ทั้งนั้นนะ่ะนะจ น, นโกหก็ยังเรียกโกหสีขาวเลยอยเวอย่างๆโกหน่ะแค่สีก็สีนะพื้นฐานเลยนะนะก็เล่นลิ้นกันว่าโกหสีขาวขี่ม้านี่ยครับนะ่ะมันก็โกหกละ ว, วะ <c oughs> โกหกสีขาวขี่ม้าอะไร แล้โกโหกในเรื่องของงานการเมืองที่ไปไปผลกระทบต่อสังคมประเทศชาติมันมันน้อยที่ไหนท่านโกหกว่าไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเออแล้วไปเถอะที่จริงคุณก็ไปกันกเขาถามก็แค่ไปได้มาท่านั้นคุบอกไม่ได้ไปไหนอไปมาอยู่โยกไม่ได้ไปไหนโอ้ก็ไปมาโยกโยกกระาำไม่ได้ไปได้ม <c oughs> าเคยไหมไปได้มาไม่ได้เปไหนหรอกก็ไปมาโยกโยกเมื่อกี้เนี่ยกระทำไปได้มา ไม่อยากตอบอะไมตอบไม่ได้ไปไหนหรอกก็หงลดหลักไม่มีสติไม่รู้ไม่รู้การไม่รู้ว่ากรรมกิริยาที่ทำนั้นอะไรพออางนั้นในยะที่เป็นสมาธิแบบหลับตาแบบสะกดจิตอาตมาก็ว่าอาตมาพูดโดยสภาวะสมาธิแบบพระพุทธเจ้าตมมาก็ว่าอาตมาพูดโดยสภาวะ ที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าอยากอวดนะแต่ยืนยันความจริงว่าไม่ได้ไปเอาตักกะเข้าหาว่าอาตมาเนี่ยฝ่ายพวกนั้นก็บอตักกะทางนั้นนะโพธิรักนะอย่างพวกฝ่ายที่ก็บอกว่านี่นี่เป็นพุทธพจน์นะเนี่ยพุทธประจนะโพธิรักพูดนะพูดเราเองอพูดเราเองนะไปผบัญญัติขึ้นามาใหม่เองด้วยและเช่นว่า อรหัน์ในโสดามีที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรูเห็นเอามาที่นั่นไปด้ยมาแยงโซดาอรหันในโสดาอยู่ไหนอตมาก็ว่าเอออ้าเราไม่รู้นะอตมาเจอมันแต่เอ้าพยัญชนะเขามันจะไม่เจอต้องดูจะมีแต่มีนะมีนัยยะที่บอกว่ามันก็ได้ไปตามลําดับอ่ามันมันได้เป็นเป็นภาวะเพราะมันต้องดับจริงๆเลยเนี่ยเป็นโสดาบรแล้วนี่เป็นอนนาคานี่ย อบายมุ่น่ยมันดับจริงๆมันเหลือในระดับกามาพบที่สูงขึ้นมาอบายยมุ่งมันสิ้นซากแล้วท่านตัมเนี่ยมันต้องได้ก่อนมันถึงจะรู้จากนิโรธที่แท้จริงนิโรธที่เป็นสมุทเฉดแล้วก็ทําให้มันเป็นปฏินิสัทธะให้มันได้รยเรื่อยๆเๆนะเพราะฉะนั้นในสภาวะที่อาตมาว่าอาตมามีสภาวะเอาละอมอธิบายมันก็บอกว่ามันไม่มีวันเป็นไร ดีแล้วล่ะคุณยืนมั่นถือมั่นในภาษาของพระพุทธเจ้าอาตมาก็อนุโมทนาสาธุทําไม่ได้แล้วเข้าใจให้มันถึงถึงนะอย่าเข้าใจเพี้ยนกันแล้วกันนะเข้าใจ พ, พยัญชนะของพระเจ้านะี่ก็แล้วกันอย่าเข้าใจเพี้ยนเอาให้มันดีๆนะอาณาอาตมาก็อธิบายแถมจากที่คุณอุญย์ยิศาว่าเนี่ยอย่างนี้คุณมีในตัวเองดีแล้วล่ะนะอนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็เรียนต่อพัฒนาดีๆนะ ถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณแม้มีภูมาทำเป็นอนุโพธิสัตว์มันยิ่งดีเลยมาช่วยอาตมาหน่อยหรือเป็นครูกันนั้นด้วยก็ยิ่งดีหรือคุณยิ่งเป็นมหาโพธิสัตว์ด้วยถ้าเป็นก็ยิ่งดีหน่อถ้าเป็นก็คงไม่ถามอาตมาหรอกเนาะอ่าต่อมาอยากเรียนถามว่าปฏิจสมบูมบาทเป็นของพุทธหรือเปล่าคะขอให้สมณพระครูสมณพระครูอธิบายให้ฟังหน่อยคะ่ะผู้น้อยฟังทุกวัน ศึกษาทุกวันเลยค่ะอ้าวดีแล้วปฏิจนุบานนี่ขอย้ำเลยว่าเป็นของาศาสนาพุทธแกงระพทธเจ้าตรัสรู้เองตรัสเองโดยชอบไม่ใช่เอาของใครมามีของาศาสนาพุทธาศาสนาเดียวด้วยฮะก่อนที่พระพเจ้าจะประกาศาศาสนาก่อนจะเกิดนะ่า ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติตั้งแต่พระุทธเจ้ายังเ ป, เ, เป็นเจ้าชายเศรษฐะอยู่แล้วก็มาบวชอยู่หปีมันยังไม่เกิดพอถึงวันเพ็ญเดือนหที่ฝั่งแม่น้ำนิรันชราน่าเล่าก็ยังก็นวนิยายเลยนะท่านเนินนั่งแล้วท่านก็พยายามโมภาคเพียนและต่างๆนานาว่าจะทำยังไงคนก็ว่าเราเป็นพระ พ, พุทธเจ้า ราเนี่แหละพระพุธเจ้าแต่ทําไมมันยังไม่รู้จะต้องพยายามรู้ให้ได้ท่านก็พย า, ยามระลึกชาติาเออเราได้สั่งสอนมันมาดำมีมาหรือไม่ที่จริงท่านก็ต้องมีปฏิภาณในห ล, ลอย่างของตัวเองบ้างแหละเพราะมันมีบารมีขนาดนั้นแล้วท่านก็นั่งย่อตั้งระลึกชาติได้จริงในวันนั้นระลึกไปแล้วก็โอโหความจํามันก็ไหลมามรรทึงเวลาวาระของท่านเหมือนอาตมาเขาอภัยนะอาตมาก็ถึงเวลาวาระอาตมาอาตมา แต่ไม่ไเหมือนเขาท่านทีเดียวเขท่านมันครบคันนะมันสมบูรณ์ทุกอย่างก็อธตมานะโอ้โหมันกระเนื้กรนาดอะไรไม่รู้อาระไม่ต้องไปอเป็นแต่เพียงว่านายะคล้ายกันอาตมาถึงเข้าใจอันนั้นได้ดีแล้วที่นํามาพูดนี่ก็เพราะว่าเข้าใจนัยยะที่มันคล้ายกันนี่ดีมาเป็นลิงล้มลงก็พอเหมือนกันอาตมาก็ไม่รู้อตาตะธรรมะจะต้องมาเป็นอย่างนี้อาตมาจะไม่รู้ได้งไงว่าอาระธรรมะเป็นมรดิศแล้วไม่มีใครพยากรอาตมาด้วยอาตมาก็ไม่รู้กัน โดดดูในทางโลกีเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไปบารมีกั้นอาตมาไว้ทั้งนั้นนะอาตมาอยากแต่งงานอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากเป็นอบายยมุกหลายๆอย่างฝึกหัดทุกอย่างนะแต่ว่าบารมีกั้นไม่หมดเลยไม่ให้เป็นเกือบจะต้องถูกเขาผูกคอผูกมือผูกแขนไปเป็นลูกเขยเขา เป็นสามีเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รอดมาโดยไม่ตัวเองไม่ได้คิดอยากจะถอยออกเลยนะแต่บา ร, รมีมันกันออกมาหมดอาตมา ถ, ถึงเห็นว่าเอออันนี้มันเป็นของเราจริงๆนะเพราะว่าจิตใจเราสํานึกใหม่ของเราเนี่ยเราไ ม, ไ, เนะไม่ได้เคยจะถอยนะไม่ได้เคยจะถอยนะสํานึกใหม่เนี่ยจะเอาอย่างโลกเขาพาเปนะ็นอ่ะมันถูกครอบงำละลิงลุมองก็พอง แต่พอบา ร, รมีมาขึ้นมันก็ตัดเราตัดรอนเราไม่ให้แปไปไม่ให้ไ ป, ไ ป, ไไปก็มาตอนนี้จุงค่อยมาเอ๊มันอะไรโย ก, ก็ทํามาปฏิบัติธรรมก็ถึงได้ขันในอดีตก็ขึ้นมาเรื่อยๆๆๆๆ ๆ, ๆจึงได้มาทํางานนี้จึงชัดเจนโอ้โหเพราะอาตมาออกบำบดัดออกมาทํางานนี้ไม่ได้สงสัยอะไรเลยตั้งแต่เริ่มมาทํางานอาตมาก็ทำมาเรื่อไม่ได้เคยสงสัยอะไร และไม่เคยคิดบอกแปลกไปเลยต้องไปทางโ น, น้นอีกไม่มีนะเพราะงั้นในปฏิสมุติของพุทธเจ้าเนี่ยขออธิบายเยอ่อยๆจะต้องอธิบายกําหนดเลยนี่เล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยปฏิสมุทย่างสมบูรณ์แบบเลยเล่มสิกเนี่ยพระธรก็ถือติดมืออยู่เนี่ยปฏิสมทุทรในข้อที่8ของอวิชาไม่รู้ในทุกไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อริยสัจสี่ 5ไม่รู้ในอดีตสองไม่รู้ในอนาคตส่วนที่เป็นอนาคต5เป็นไม่รู้ส่วนอดีต6ไม่รู้ส่วนอนาคต7ไม่รู้ทั้งส่วนอดีตนอนาคต8ไม่รู้จากปฏิเสธสมบุญบาทเป็นอวิชาก้อที่8เพราะอาวิชาก็เป็นหลักสำคัญเลยอวิชามีสงคัญเป็นตัดใจนะอาตมาก็ขออาัยไม่ขยายความต่อแเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะ อาวิชาเราจะพูดคร่าวๆเพราะงั้นถ้าคุณไม่รู้จากสังขารที่อาตมาอธิบายเมื่อกี้อธิบายผ่านไปสังขารมีกายสังขารจิตสังขารประจิสังขารมันถ้าไม่เข้าใจจริงๆมันไม่รู้เราว่าประจิตสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ปรจิตกรรมมันคือองจิตสังขารเรามาพูดอย่างนี้แล้วพมีสภาว่าก็ไต่ตรองถึงสภาว่ดีๆนะเพราะคนไม่มีสภาว่าจะงงๆก็ประจิตมันไปเป็นจิตได้ไงประจิตสังขารมัเป็นจิตสังขารได้ไง มันอยู่ในจิตสังขารมันยังไม่ออกมาเป็นกรรมกายกิริยาทั้งวัตถุทั้งอมจีทั้งวาจาทั้งกรรมมันตาอาชีพมันยังไม่ออกมามันไม่ออกมามันจะออกมามันก็มันเป็นตัวทายตัวปลายเมื่อเวลาจะเกิดมีนิโรดแล้วเนี่ยอะไรเป็นตัวเกิดตัวทายวัจีสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อวัจีสังขารมันผ่านตักระวิตกาสังกปะอัปนาปยปนาเจตสุโสภมโนปนาแล้วมาถึงวจีสังขารมันยึงเป็นตัว กรองมาเสร็จแล้วทําได้แล้วละได้แล้วผ่านผานดานอัปอ ป, ปนาพยพนามาถึงนี่อะไรที่กรองแล้วว่าเออใช่อะไรที่ เ, ออ เ, เสริมก็เสริมในนี้ม้อนเป็นพลังงานเอนเนอร์จีแล้วก็มาสมบูรณ์แบบอยู่ที่วัจจสังขารพร้อมที่จะมาเป็นวาจาพร้อมจะมาเป็นกรรมมันตะพร้อมจะมาเป็น อ, อาชีวะจะมาเป็นกรรมมันอยู่แค่สังขารมันสังขารไม่ใช่กรรมจะเรียกว่าการกระทํว่าอะไ้การกระทํำขบมโนกรรม การกระทำของจิตการกระทําของมโน ก, กรรมเจกักรกรรมก็ได้แต่มันไม่ใช่กรรมออกมาเป็นวาจาและกรรมมันต่าอาชีวะมันไม่ใช่นะอย่างนี้เปฮย้ยมาอีกสักพึ่งเลยเนี่ยอัตมาอุตสาวะอธิบายยืดหยัดว่ามันจะมันจะหมดแล้วอ๋อเอาตรงเร็วงั้นเอาตกลงเอานี่ยไว้คุณติดตามดีดีนะติดตามอะัตมาจะอธิบายปฏิสุบานนี้มันสําคัญถ้าเข้าใจปฏิสุบานหมดเลยคุณจะดับชาติได้หมดจริงๆ ชาติพบหมดดับตันหาได้ถูกน <Making> <Đây> ะได้ทันทีเลยนะเอาละวันนี้ขอตะไว้ก่อนนะเอาตะไว้วันหลังนะจากพลเรตรีมินกลาบพ่อครูที่เคารพยิ่งกิเลสกับตัญหาต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างครับกิเลตัญหาอุปทานสามอย่างนี้มีในยยะอย่างงี้กิเลตเป็นคำกลางกลางเป็นสามัญนามเป็นคอ m มอนนาม ส่วนตัณหานั้นน่ะนะตัณหาอุปท า, านเนี่ยมันอุปท า, านเนี่ยจะว่าเป็นคำนาวกว็าได้แต่มันเป็นตัวลึกกิเลสเรียกรวมๆมกลางกลางตัณหานั่นน่ะจำพเพาะเป็นเป็นวิสามัญ น, นามนะเป็นพระพุนาวจะต้องอ่านเห็นตัณหานเนี่เหมือนสัต์กายะ ตัณหาเนี่เหมือนสั ก, กายะเหมือนตัวจำเพาะที่คุณจะต้องเห็นของจริงเพราะตัณหานี่ก็ต้องจำเพาะของตนคุณต้องอ่านมันจฉพาะส่วนกิกเลสนี่ยก็เรียกไปหมดนะคนก็มีกิเลสตัวไหนก็กิเลสมน่ะไอ้ที่นี้มันพาให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วก็พาชั่วอยู่ทางนั้นทิเลืทั้งนั้นเพราะตัณหานี่กับอุปทานมันตัวเดียวกันแต่อุปทานนั้นเป็นพลังงานที่ฝังแน่นเป็น t e พ Energy พูดกับพลเรือตรีนี่ก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ส่วนตันหานะั้นเป็น kinetic energy เป็นพลังงานที่มันเคลื่อนไหวออกมาเป็นพลังงานจนพลังงานจลนะส่วนตัวอันนี้นเป็นพลังงานพลังงานศักดิ์แต่พลังงานนี่มันทํางานอยู่นะมันเหมือนยีนโอ้คนมืนยีสมันทํางานอยู่เป็นอนุสัยเป็นอาสวะแตกตัวอยู่มันทํางานแล้วมันมีฤทธิ์มีแรงตามจริง ถ้าเป็นปุถุชนก็เป็นอนุสัยอาสวัตที่มันแตกตัวเป็นกิเลสแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นอาริยะหรือมันเป็นพระอรหันต์พระรังงานพวกนี้ก็มีมีฤทธิ์ที่ทำเป็นกุศล ส, สรุปแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นกิเลสเรียกกว้างๆรวมได้ทั้งตัณหาอุปท า, านส่วนตัณหากับอุปาทานนั้นเราต้องเรียนรู้ แลกอธิบายแล้วตัณหาอุปทานเพราะงั้นในปฏิสมบัติจึงต้องมีทั้งตัณหาและอุปทานไม่มีคําว่ากิเลสเพราะกิเลสนั่นคือตัณหาอุปทานโบกหนักเข้าไปอย่างเก่าทำมันเสพโลกีหนาเข้าไปอีกคือมาทางาอีกทีนึงแถมกิเลสหนาเข้าไปอีกทั้งสมดุลอีกมันก็เกิดแล้วก็ฝังตัวเป็นอุปทานเกิดแล้วก็ฝังตัวแล้วมันเกิดเมื่อไหร่ข้ามันถ้ามันนิ่งน่งมันอ่านยากอ่านอุปทานอ่านยากมันไม่เกิดมันนิ่งไง พเพราะฉะนั้นการนั่งหลับตาสมาธินี่ยิ่งกดลงไปกดลงไปยิ่งกดอนุสัยิ่งกดอุปท า, านแล้วไม่รู้จักอุปท า, านเลยเพราะฉะนั้นไม่ให้มันเกิดอาการตัณหาขึ้นมารู้แลยคุณก็ฆ่ามันตั้งแต่เป็นกามตั้งแต่เป็นพบจนกระทั่งคุณหมดคุณก็เป็นวิภา ะ, ะตัณหาตัณหาคือความต้องการต้องการที่จะฆ่ากาลอาการมาพบรูปพบรูปพบพ บ, พ บ, พบมีอยู่3ามหมดพบนีนคุณก็วิภาวพบเป็นวิภาวะไปแล้ว ก็บริบูรณ์เพราะฉะนั้นมีเพราะวตันหาก็เข้าใจกันไม่ได้เป็นตันหาอุดมคติเป็นอนาวนากรดัไปความต้องการเป็นอาตังคัวจรเป็นอิชาวจรเป็นตัวฉันทะเป็นความปรารถนาต้องการเนื่อว่าเป็นความที่จะทําให้มันเกิดนิภาวะมันทำไมเข้าใจพบชาติอะไรมันก่อพบชาติไม่รู้ดับพบไม่เป็นคนก็มั่วแต่พยัญชนะได้เป็นคำแทน ใช่แทนเท่า น, นั้นเองเพราะฉะันบอกว่าถ้าเกิดอยากตัณหามีความอยากแล้วกิเลสหมดคุณจบคุณก็นั่งเหมือนกับอาจารย์บูรภาที่เขียนมาอย่าให้จิตคิดอย่าให้จิตมีอะไรนิ่งหยุดนิ่งไม่คิดไม่ปรุงไม่อะไรไม่อยากอะไรอยากไม่ได้อยากตัณหานะเพราะเขาะ้าใจวพรากตัณหาไม่ได้ พระพุทธเจ้าอยากสร้างศาสนาให้ศาสนานี้รุ่งเรืองมีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุภิกษุณีจนกระทั่งเก่งเชี่ยวชาญสามารถบรรยายแจกแจงจำแนกป ร, ประวาทะได้ตั้งมั่นแข็งแรงเราจึงจะตายมานันนี่ก็ตัณหาของท่านมีภาวัตัณหาเป็นความปรารถนาเป็นมโนสันเจตนาของท่านมโนสันเจตนาก็มีสามกาบัตนาภาวะตัณหา เป็นมนุสช์เจตนาของท่านอย่างนี้เป็นตน้นอ้าวนี่คือปฏิสุบบาทก็เล่าเามันก็หลายๆอย่างอธิบายไปตั้งใจฟังดีๆแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจ <12 S 1> โอ้หะอีกสิบสองนาทีโอ้โหนี่ตะปึงเลยเนี่ยเอาเร็วๆจากสงขาผมฟังธรรมจากพ่อครูแต่ไม่มีเวลาไปที่วัดท่านจะทำบุญโดวยวิธีไหนครับทำบุญในวิธีบุญแปลว่าการชาระกิเลสเรียนรู้วิธีชาระกิเลส และก็ทำของตนเองชําระกิเลสให้ได้นั่นคือการทำบุญบ น, นั่นแหละอยู่บ้านนั่นก็ได้ฟังให้ดีให้รู้ว่าชัดเจนแล้ววิวธีทำอย่างนี้เอ อ, อย่างนี้นะทำบุญเป็นอย่างนี้ทำเป็นทำบุญเป็นบุญไม่ใช่กุศลนะเพราะกุศลนันคือทำคุณงามความดีแต่บุญนี่คือเครื่องมือฆ่ากิเลสบุญนี่คือเครื่องมือฆ่ากิเลสที่อาตมาเคยใช้พาษาญชนาแทนว่า บุญไม่ใช่ขนมปังบุญคือปืนไม่ใช่คุณอยากได้ขนมปังมากินแล้วก็ได้สุขสบายอารมณ์ชอบใจในขนมปังไม่ใช่นะบุญไม่ใช่ขนมปังบุญนี่คือปืนสมมติให้ฟังนะมันเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสฆ่าได้แล้วบุญก็ลดหน้าที่ฆ่าได้ไปเรื่อยๆบุญก็ลดไว้เรื่อยๆฆ่าได้หมดเปลี่ยงหมดหมดสิ้นบุญเลย คนสิ้นบุญก็ไปแปลงกันมาคนตาย ก, กิเลสตายสิ้นบุญนี่คือกิเลสตายเกลี้ยงเลยอ่าสิ้นบุญไม่ใช่คนตายสัตว์ตายสัตวตวัดกหมดนะสิ้นบุญสิ้นบาปนะครูพรริจารณาท่านตัดของท่านไว้พระโพธิราชอ่ก็ตัดเก็พูดของท่านท่านก็สินสนนส้นบุญสิ้นบาปมีพระอริยะเราสิ้นบุญสิ้นบาปแล้วนะไม่มีบุญไม่มีบาปสัพพะปะาปัสสะกระนังไม่มีบาปแล้วมีแต่กุศลทําแต่กุศลต่อไป บุญไม่ต้องทำจบสรุปบุญคุณจะต้องศึกษาให้ดีว่าคุณปฏิบัติเป็นแรงช้ปรากิเลสได้นื้อการทำบุญเนี่ยทำบุญเป็นได้ประกิเลสเป็ น, นาจากกทมมีญาติธรรมที่อยู่ในกลุ่มไม่ยอมกินของเพื่อนแม้เพื่อนจะอนุญาตแล้วเพราะกูต้องไปใช้หนี่ในอนาคตด้ยชาติต่อไป เอาเดี๋ยวอธิบายทิศทีอย่างนี้ถูกต้องไหมคะดิฉันถามเพื่อต evet> ้องการปรับทิศทีให้ถูกระหว่างดิฉันกับเพื่อนดิฉันระหว่างดิฉันกับเพื่อนดิฉันเห็นว่าโดยมารยาทเราควรจะรับเมื่อเพื่อนให้แล้วแต่เพื่อนไม่รับเลยเพื่อนคนนี้ไม่รับดิฉันว่าไม่ถูกนะคะคุณจะอยู่คนเดียวใช่ไหมเกิดมาอีกชาตินาชาตินายคุณจะอยู่คนเดียวไม่ต้องพึ่งใครไม่ใครไม่ต้องพึ่งเราเราไม่ต้องพึ่งใครใช่ไหมอยากคิดอย่างนั้นนะ มิตร ด, ดีสหายดีสังคมซึ่งไม่ล้อมดีเนี่ยเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรร์แม้แต่ศัตรูของเรานี่ก็เป็นเพื่อนที่เป็นเครื่องขัดเกลาเราที่ดีถ้าคุณรับหมัดรับมวยเขาเป็นถ้ารับไม่เป็นหลบไปก่อนถ้ารับเป็นเอาให้ดี <c oughs> เครื่องขัดเกลาที่ดีเลยเพราะงานเพื่อนนี่คุณทิ้งไม่ได้มิตร ด, ดีสหายดีสังคมซึ่งไมล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพระมจรร์ ต้องอยู่กับเพื่อนต้องมีเพื่อนเพราะเพื่อนที่อนุเคราะห์กันเกื้อกูลกันเนีมันเรื่องของจิตที่ดีอ่าเป็นถ้าคุณจะเป็นหนี้มุนหนี้คุณกันไม่ใช่หนี้บาปไม่ใช่หนี้เวนีภัยมันก็พึ่งกันได้อ่าพวกคุณจะไปคิดตื่นแต่แค่ว่าถ้าคุณเองคุณกินของเขาใช่ของเขาคุณก็พยายามทดแทนเขาให้มากขึ้นมากขึ้นซีมันก็จะได้ต่างคนต่างให้กันไปทันคืนกันไปคืนกันมาคืนกันไปคืนกันมา มันก็เกื้อกูลกันเท่านั้นเองอเพราะว่าเราเมื่อเวลามันถึงขั้นกุศลนล้เนี่ยมันไม่เอามันมีแต่ช่วยคนอื่นมีแต่ให้กันให้กันให้กันเวลามันเป็นกุศลถึงที่แล้วเอาคิดมาอันไรที่พอสมหสมควรก็อย่าไปแอบมากนะักาว่าจานนครปฐมมนุษย์ตายแล้วศูนย์ไหมครับเพราะมนุษย์เกิดมาจากอสุจิมีอะไรลึกซึ้งกว่านี้ไหมครับโอ้ลึกเยอะะ อตอบคุณได้คงไม่ยาวนักวันนี้ถ้ามีเวลาโอจะตอบยาวๆได้มากเลยในคําถามนี้ตอบได้เยอะมนุษย์ตายแล้วศูนย์ไม่ครับถ้ามนุษย์ตายคือมนุษย์คือคนร่างกายคนเนี่ยตายเป็นๆ เ, เนี่ยไม่ศูนย์ถ้าจริงของคุณยังไม่ปรินิพานเป็นปรโยสา น, น, านไม่ศูนย์คนที่จะทําปรินิพานเป็นปรโยสานได้ก็คือพระอรหันต์ขึ้นไปนหมายความว่าสามารถที่จะ สลายจิตได้เป็นผู้ที่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นได้อีกแล้วไม่ยึดเลยแม้แต่สมาทานก็ไม่สมาทานอีกแล้วเพราะว่าท่านไม่ลึกลับในความเป็นอัตตาก็เลยเหลือแต่อัตตาที่ไม่ลึกลับอรหัตตาอาศัยอยู่ไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นหรือสืบสาศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะเป็นพระธรรมกัตถเป็นผู้ที่จะบรรยายธรรมสืบสารสาศาสนาเป็นการยุกตเวทีต่อาศาสนา ก็ทําแต่ถ้าเผื่อว่าคุณจะปฏิพาน์คุณมีสิทธิ์อนัขันขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์ปฏิพานธ์มีสิทธทิ์ไม่เกิดอีกศูนย์แต่คนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ตายแล้วต้องเกิดอีกทั้งสิ้นไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเอาต่อมาลูกสาวดิฉันตามพี่ชายไปสมัครเรียนข่าวอยู่พุทธิปทมโศกซึ่งตอนนี้ลูกชายก็เรียนอยู่ปทุมโศกส่วนลูกสาวพอกลับมาบ้านเขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์ ทำได้หนึ่งปีครึ่งแต่ปัจจุบันเขายังมีล้มบ้างดิฉนันช่วยให้เขาเป็นมังสวิรัตได้มั่นคงได้อย่างไรคะหลวงพ่อแนะด้วยคะ่ะก็มองมุมดีเห็นประโยชน์ของความดีที่กินมังสวิรัตอ่ามันดีอย่างน้นอย่างนี้อะไรอะไรก็พยายามแม้แต่ในเชิงของกุศลในเชิงของสุขภาพในเชิงของความง่ายความทุนก็ต้องค่อยๆ อ, อธิบายกันสําคัญที่ว่า คุณมังสวิรัติหรือเปล่าถ้าคุณมังสวิรัติคุณเป็นตัวอย่างทําไปเถอะทาไปของเราเองทํำไปดีๆแล้วเราก็ไม่ต้องไปกดเป็นดันเข้าใครก็แล้ ว, วแต่นะเราก็ไม่ไม่ไปกดไม่ไปว่ามันอยู่ที่ใจยิ่งเขาเคยแล้วเลยเรามีเวลาเราก็บอกว่ามันยังงเงี้ดีอะไรไม่เชิงซึ่งมันจะมีเยอะเหตุการณ์ว่าเออแม่เนีเราไป่กินสมภาระอย่างนี้อะก็สนับสนุนส่งเสริมไปให้เขาได้เข้าใจว่ามันดีดีกว่า ไปกินเนื้อสัตว์นะมันก็จะช่วยได้ต่อมาดิฉันเป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนามปลายดิฉันพบว่าเนื้อหาธรรมะในหลักสูตรไม่ตรงกับพระตรปิฎกเช่นเรื่องดอกบัวสีเหล่าพระตรปิฎกว่ามีสามเหล่าคือใต้น้ำเสมอน้ำพ้นน้ำอ ย, อ, อยากให้อธิบายหน่อยค่ ะ, ะมันมีทั้งในในญาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถึงสก็มีส่ก็มี แต่คนไปเอาสามมายันคนที่ไม่รู้ว่าแล้วมันมีสีหรือเปล่ากขาเถียงเขาไม่ออกผู้เที่บอกว่าเอ่าสามก็มีก็ถูกของคุณอยู่แล้วสี่ก็มีแล้วคุณว่าไม่มีคุณผิดแล้วนะเพราะมีทั้งสี่นะเอาละต่อมาเชียงรายดิฉันไม่รู้จักหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวแต่ชอบฟังท่านทุกวันโอ้ฟังอาตมาได้เก่งนะอาตมาพูดนิ่แรงดึงงี้เลยไม่ได้นิ่มๆมันหวานพูดเบา ไม่เลยคุณฟังได้เก่งคนที่ฟังอาตมาได้นี่เก่งดิฉันไม่รู้จักหลวงพ่อเลยแต่ชอบฟังท่านทุกวันดิฉันปฏิบัติแบบอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกดิฉันงงว่าปพิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเป็นยังไงยังไม่เข้าใจอธิบายให้หน่อยค่ะไม่หน่อยแล้วอาตมาอธิบายมากๆเลยติดตามฟังต่อไปอาตมาเขาหมกกิ๊กอธิบายจบหลัดหลัดแล้วอธิบายอีกก็จะอธิบายไม่ต้องห่วงอาตมาต้องอธิบายแน่ อาณาปานาสติเนี่ยต้องอธิบายเลยนั่งหลับตาสมาธินี่อาตมาต้องอธิบายเพื่อหเห็นว่าสมาธิแบบนี้ถ้าไม่สมาธิทิฐิแล้วไม่เป็นประโยชน์กลายเป็นโทษถ้าปฏิบัติธรรมารทิฐิเป็นอุปการะใช้เป็นประโยชน์ได้นะซึ่งนั่งสมาธินี่มีประโยชน์อยู่างนี้หนึ่งนั่งพักสงบดีสองเป็นการศึกษาสาไปเตวิโชใช้ตรวจสอบนะตรวจสอบตรวจดูสิ่งที่เราทํามาแล้ว ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแล้วว่ามันเป็นยังไงนะโมเพนิวาสันสุตยาจตุปปาตยา น, รรยานเราก็ตรวจโอ้นี่เราหมดสิ้นอสวรแล้วนี่จะได้เกิดสเตม็มในตัวเองเลยว่าเปนอัลฮานเลยวะ่นะตรวจสอบได้ดัง น, นีประโยชน์ดัง น, นั้นที่จริงมีอีกอันหนึ่งสีพลังงานที่สั่งสมนี่เขาเอาไปเล่นลดิสเลนเดตอั น, น, นมาไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนพู้พูดยาก็ไม่สนับสนุนนะจนะเอาประโยชน์อันนี้แหละสมอย่างเนี่ย ชมพรอ้าวคุณปุญญาปุญญศิยาอีกโอ้ปุญญุ ญ, ญญปุญญิสาแมุ่ ญ, ญญาอตอนต้นบคนแรกขอเล่าเสริมว่าเมื่อก่อนนุ่นนั่งสมาธิหลับตาเป็นชั่วโมงและเห็นภาพนิมิตณตอนนั้นว่าจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่กี่วันต่อมาบางครั้งก็สองสามเดือนก็เกิดเรื่องนั้นขึ้นจริงๆร่างทรงบอกว่านุ่มมีองค์แต่นุมไม่สนใจนูเอาคําสอนพระเจ้าเป็นที่พึ่งเดียวเท่านั้น หนูแค่อยากจะเน้นว่าถ้าจะได้สมาธิต้องเอาศีลให้ได้ก่อนไม่ต้องบวชชีหรือไปหาที่สงบที่ไหนเอาศีลก่อนเออคุณน่าจะสนใจแนละศึกษาดีดีอัตมาว่ า, ามีบา ร, รมีนะน่ามีมีรรมสิ่งที่เป็นสมาธิเยอะอยู่อา้าวศึกษาดีดีนดีแล้วละ่ะนอธิบายเสริมมาอา้าวแผ่นสุดท้ายนา่สองนาทีสุดท้ายเพราะครูเทศเรื่องกายขาตาสติอาณาปานาสติ อย่าเพิ่งมาอีกนะมันหมพดพอดีพ่อครูแท้เรื่องกายก็าตาสติอานาปานะสติและสติปัญฐาสี่ละเอียดมากแต่ยังไม่เข้าใจครับอยากให้พ่อครูอธิบายพอสังเขกก่อนว่าสามอย่างนี้สอดคล้องกันอย่างไรนะคะทําไมถึงเรียกไม่เหมือนกันเออทาไมถึงเรียกไม่เหมือนกันอยากทราบความหมายของแต่ละคําค่ะอา้าวมีเวลาอีกหนึ่งนาที อธิบายคร่าวๆกายคตาสติก็คือมีสติอานาปานาสติก็คือมีสติมีสติแล้วเราดึกดูกายที่มันดำเนินไปเรียกว่ากายคตามีสติแล้วก็ปฏิบัติไปทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานาสติส่วนสติปฐานนั้นเอาสติเป็นทิศตัง้งแล้วก็พิจารณากายเวทนาจิตธรรม เนื่อวสติปัฐานก็ในขณะที่คุณมีองค์ประชุมของการดําเนินไปของกายองค์ประชุมทั้งนอกและในรูปและนามแล้วก็ปฏิบัติให้เข้าไปถึงจิตตามหลักธรรมของอาณาปานาสติ16อย่างที่ท่านจัดไว้ก็ไปพร้อมกันกับ ก, ก, กายขตาสตินั่นและอาณาปานาสติตามหลักนั้นและปฏิบัติสติปัฐานให้มันเกิดอาณาปานาสติ16 นี่อธิบายคร่าวๆจบหมดเวลาทุ่ม22นาทีเป๊ะเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงท่านี้จเจริญธรรมทุกคน<า> <c oughs> ฟังเหนื่อยไหมอาตมาพูดจะเหนื่อยไหมเนี่ย <c oughs>